พี่ทาว่าใครจะเข้ามาก่อนอนะอ่าวันนี้เอาเด็กชายเลนก่อนนะอ่ะเดกชายเลนอ่าเด็กชายเลนอโอเคอน้องลินมาตอนนี้ก่อนเร็วตัวนี้ล้างจมูกอยู่ย<ป>เ ล, ล้วค่ะา๋อค่ะอ่าเร็วขันมากาพาด้าเร็วมาน้องลินมาแล้วค่ะมากาพาด้าเร็วมาเร็ว นัง่งดีๆลูกนั่งนั่งอาวอนนั่งดีๆจับอค่ะโอ้โค่ะเียบกับหนามือหน้าู้สงค่ะต้องเลยส่งการบ้านค่ะเอาบ้านที่สองข้อเจ็ก่อนอ่โอเคะหอหน้ามืน้ามือหน้ามือหามาอหาหมมามนม อรหัตโตสา ม, มาตบุรษะนะมโมตะกตสามหตอหัตโตสา ม, มาตบุรษะอรหังอังสมาสุตโตว่าพ่อผู้ทางข้อกัตังลเลยวานิลุสวะข้าโตพระสวัตาธโมธรรมังนามาสามีวิริยสุตุปฏิบันลมพระขาวโตสาวกสร้งโคสั้างสงนามามิ พระผู้มีพราภาคเจ้าเป็นพระอะไรตักเพลก่เลเพูกุทุกสิ้นจิ้นเชิงตัดตะเวรตัดเองอินโซมากว่าอรหังสมะสมพุทโธวิชาจารานาสัมปนุสุขตโนโลกาวิถุอนุจรโลภุลิศธังมกเจรติ สักสักขาขอรงสักข้าในวันวมนฤาษีนางคุณชวกษัตริย์บุญบุญกุศอะไรที่ก็พะเจ้าไกระทำแล้วข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้นแก่บรุชาทุกศาสนาบุกลโลกในพระสัง์ของมและสั์ทั้งหลายเป็นเพื่อนดวงเกศเกียรตแล้วกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงอย่ามีว er er. ุ like start, ่นวายจ้พยายาเรียนซึงแก่หาจันทร์หอขอจงให้คนสูงม่ความความสงบช่วยกันจบเป็นสตารวิเศจะอาจะนากว่าที่คานั้นหอเรามีความแก่เรามคแก่เป็นธรรมดาเราควรคแก่ไฟไม่ได้เรามีเหตุาเป็นธรรมาจะลูมคราทเหตุข้เป็นธรรมเราม่ควตายเป็นธรรมะาต้อควตายเป็นใจถูกต้องเรจะต้อง คนภาของเราคงเจริญใจทางกายและห่วงเรามีเออมีการามเป็นของของตั ว, รวเราจะต้องรับผลของตํามนันเรามีกรรมเป็นเรามีกรรมเป็นที่เพื่อนเราเรามีกําเป็นกํามหนึ่งเรามีกรรมเป็นเป็นเผ่าพันถ้ามีกรรมเป็นที่เพื่อนอาศัยเราจะทําการอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องรับผลของตํามนัน มันมีส่งการบ้านอันใหม่แล้วเจ้าค่ะเริ่มเริมเเริ่มด้วยไม่อาออออ่อนียผมเ่าเลยใช้เวลานหใช้เวลานานไหมมาเอาใหม่อม่เอ่นเล็บังเนื้อเอ็นกระดูยอ่ไงกระดูได้แค่นีเจ้าค่ะไ่ก่อนเจ้าค่ะ เก่งมากนะความจาดีนะเด็กช้อนอะไรก็จําได้เร็วได้ค่ะคุณอาจารย์อ่าถามไปเรื่อยๆนะจะได้มีอะไรติดอยู่ในใจมีธรรมะติดอยู่ในใจนด้ค่ะคุณน้องวินก็ท่องได้อาผมไม่เอาใหม่ไหมคะเอาไมลูกโอ้เขิดนอเพราะฉะน์คะโยมหญิงขออนุญาตนะคะพอดีโยมหญิงป่วยอะค่ะแต่เปนมีฟ้าขึ้นที่ปอดทั้งสองข้างมันมีก้อนก้อนขึ้น ทางซ้ายและขวาเลยค่ะแล้วโยมก็ตัวรอแล้วไอแล้วเวลาหายใจเข้าแล้วมันเจ็บหน้าอกตอนนี้ก็คุณหมอให้ทานยาแก้เศษไปก่อนแต่โยมขออนุญาตทานเข้าเเย็นก่อนนะเจ้าค่ะให้ร่างกายมันแข็งแรงก่อนแล้วต่อไปโยมค่อยงดนื่อเย็นเป็นปกติเหมือนเดิมเจ้าค่ะอืมแล้วแต่แล้วแต่ความจำเป็นค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเพราะว่าโยมก็หลังจากที่ ถาวายพระ อ, อาจารย์ตอนวันเกิดกันนะคะโ ย, ยมก็ทํามาตลอดเลยแล้วประเด็นช่วงนี้ร่างกายมันมันอ่อนแอมากๆแล้วเหมือนจะว่าเม็ดเลือดขาวมันน้อยด้วยค่ะมันมีอักเสบในร่างกายแล้ว ก, แวก็แล้วก็มันดูดีๆพระอาจารย์ปอดมันขึ้นเร็วมากเลยเนาะคะ่ะวันที่ที่บสามเดือนสิเอ็ดไปเอ็กซเรย์ปอนได้ปอดยังเคลียปกติเลยน ะ, นะคะแล้วผ่านไปอีกทีหนึงวันที่สองเดือนวันที่สองเดือนสิบสองแล้วะคะ่ะไปไปไปไปเอ็กซเรย์ทีปรากฏว่าหมอบอกว่าต้องให้ซีทีเลย ปรากว่าขึ้นสองข้างเลยค่ะทีนี้ตอนแรกขึ้นแค่ข้างเดียวมันเลยมันเลยมีอาการเจ็บหน้าอกจ้าค่ะแล้วต้องทําะไรตอนว่าเปล่าตอนนี้คุณหมอเขาให้ทานยาแก้เศษก่อนเจ้าค่ะแล้วถ้าทานยาแก้เศษแล้วมันมันยังไม่หายก็ก็ค่อยไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเจ้าค่ะแต่คุณหมอเขาทำทำซีทีแรกหมอเขากลัวว่าถ้ามันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยเขากลัวว่าริมเลือดมันมันออกจากเส้นเลือดตามตรงปอดแล้วมันจะไปอุดไปอุดที่ตรงปอด น, นะคะแล้ว<ม>ทำซีที ส, สีไปอย่า ง, างแรงเข้าเช่นเลือดดำมาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเขาบอกว่าเชเลือกเชเลือกตรงปอดปกติเจ้าค่ะแล้วหมอก็เลยตอนนี้ก็เลยเหลือแค่ทันยากแก้เถื่อนไปก่อนแลาวถ้าวันที่สิบสี่คุณหมอนัดให้ไปเอ็กซเรย์อีกทีหนึ่งค่ะถ้าถ้ามันจางลงก็ถือว่าเป็นเป็นแบบแนวโน้มดีแต่นี่มันเป็นครั้งที่ครั้ทงที่สามแล้วนะคะพระอาจารย์ตอนแรกมันขึ้นปอดข้างข้างซ้ายพระอาจารย์ตั้งตั้งสี่เซนนะคะใหญ่มากเลยแต่ว่าทานยากแก้เสร็จเป็นสเดือนแล้วก็หายไปเลย จากสามเดือนไอ้จากจากสามปีที่แล้วอะค่ะกลับมาใหม่อีกรอบนึงแล้วค่ะแต่รอบนี้มาถี่กันเลยพระอาจารย์แต่ดงที่ว่ารู้เร็วเนาะค่ะก็ดีก็ต้องรู้จักใช้ธรรมะเอาสดด้วยนะต้องทําใจสอนใจไม่ไปเตือนตลอดกับเรื่องนค่ะปกติมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็เห็นว่ามันวัยมากโรคมันมาเร็วมากเราไม่ทันตั้งตัวให้ยอยู่ดีๆแข็งแรงหรือก็อยู่จะมามันก็มาไงค่ะเอค่ะาค่นะ ใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนใช่จริงเลยเจ้าค่ะแต่หมอบอกเลยโยมก็เฉยๆโยมยมก็ไม่รู้สึกเอ่อตัวอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าโยมแค่มขออนุญาตพราชารก่อนเพราะว่าโยมโยมเพิ่งทานข้าเรียนวันนี้เองเจ้าค่ะอืมก็ต้องยอมแล้วว่ายังไงก็ต้องไปอยู่ดีไม่ช้าเร็วจ้าะได้มีเอ่อมีสติสตางครใชเจ้าค่ะที่โยมเปด ฝึกตลอดเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือข้อสอบอะค่ะอโยมก็ไม่กลัวอะไรยังไงไก็ต้องไปถ้ามันเราไม่มีทางเลือกถ้าก็ยื่นมาเราก็ต้องรับทั้งนั้นอช่ค่ะเรื่องสายโยมคงเมื่ออจิชาคงไปทํากรรมไว้เยอะค่ะคงไปฆ่ า, าตัดชีวิตเอาไว้เงินชาตินี้เขาก็เลยอ่ะก็ใช้ใช้กันไปโย ม, มตยัดอนี่ไปแล้วนะพระอาจารย์ทั้งต่อมต่อมหมวกมันมีเนื้องอกที่ต่อมหมวกตเนื้องอกที่ต่อมพาราเอยลอย นื้องอกที่บนลูกก็ตัดออกไปหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มันเลยมาตอนแรกมาที่ปอดตอนแรกหมอเขาคิดว่าเป็นเป็นมะเร็งหมอฟันโทว่าเป็นมะเร็งระยะสองแต่มันก็หายพระอาจารย์ใช้เวลาสามเดือนมันต้อนมันหายไปเลยอะค่ะแล้วจากนั้นสามปีก็เนี่ยค่ะกลับมาใหม่พระอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติเข้ชเหมือนเดิมด้วยค่ะใช่รีบทำพระอาจารย์ก่อนที่ไม่มีแรงจะทําอ่าโรงพยาบาลเจ็ิบ้านก็อย่างนี้แล้วมันก็ทยอยกันเข้ามาเข้าคิวกันเข้ามาแต่โยมว่าเป็นวัคซีน วัคซีนฉีดวัคซีนโควิดกัเจ้าค่ะอืมเพราะว่าไม่ถ้าไม่วัคซีนโควิดมันไม่น่าจะเป็นทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นเกิดกระปอดกันเยอะเจ้าค่ะอยากขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วท่ายอมแข็งแรงแล้วยอมยอมกลับไปรับือยังได้ไต้องรักษากําลังใจให้ดีนะกำลังใจกำลังใจนึ่มร้อยเจ้าค่ะอย่าท้อแท้นะค่ะทําใจให้นิ่งให้เป็นโอเบค้าแล้วก็อะไรจะเกิดก็ยอมรับมันไปค่ะพระอาจารย์ค่ะ เราเราไม่มีทางเลือกร่างกายไม่ใช่ของเราใชระารกลับขอบพระคุณเจ้าค่พระอาจารย์โอเคสาธุสวัสดีเด็กๆไปแล้วเหรอสวัสดีพระอาจารย์ก่อนแล้ว พ่อจันถามหานกเลนด้วยตอนไปใส่บาดาว่าว่าหลานอยู่ในหลานน่ารักจังเลยแล้เวเอเอาไปใส่บาเจ้าค่ะกลับผ้าให้นกเลนกลับผ um. ้าสวยๆอน้อเลนนเลกลับผ้าสวยทำยไงลูกโอเคไหนไเออโตธรมโมสังโฆโอเคน้านกเลนจะเนนิดนึงเจ้าค่ะ อโอเให้ทุกคนมีความน้อมเย็นเป็นศพไม่ว่าอะไจะเกิดขึ้นจิตใจเราสงบได้นะค่ะพระอาจารย์ค่ะกลาวขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่จมัดกัจจที่พูดที่จะมาคอยเตือนพวกเราว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างเรารำลัการพระอาจารย์ครับอืส่งกันบ้านครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลกคนความแก่ไปไม่ได้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 เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสืบไปเร า, เาทั้งหลายควยรพิจารณาอย่างนี้ทุก ว, ว, วันทุวันเถิดอืมย่าไว้นะอย่าลืมนะครับเอย่ามีมีคนเขาเราิ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะตายไปเราก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยออ่รราไอ้โครคโรคไข้เจ็บนี้มีอยู่สามชนิดนะชนิดแรกเป็นเราหายเองไม่ต้องทำอะไร อ่าไมนั่งกินยาไว้นั่งหาหมอเป็นเป็นไข้หวัดไม่เป็นอะไรเดยวมันก็เป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองได้ชั้นที่สองเป็นแล้วต้องไปหาหมอถึงจะหายอ่าชั้นที่สามชั้นนี้ไปหาหมอหรือไม่ไปหาหมอก็เท่ากันอยู่ไม่หายนะฮะกือโลกสามชั้นที่ที่พวเราจะต้องเจอกันทุกคนตันชา้าก็เร็วพยายามเตรียมตัวเตรียมใจทําข้อสอบนี้ให้ได้ ครนะับแล้ว ก, ก็พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่ดินน้ำลงไปอาการทาที่สองนะครับ่ามามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกย้งในกระดูกม้ามหัวใจตับหลัมพือนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่าย่อในสมองศีสษนน้ำดีน้ำเสร็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข <N isten. S 1> ้นน้ำตาน้ำมนเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมนเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็ด น้ำดีเยื่ในสมองสีสันอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเยี่ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผมอาการเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเรานะครับออนราไม่ได้เป็น อะไรร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจท่านรู้ออที่มาครอบครองร่างกายนี้เราใช้ร่างกายให้ทำตามสิ่งที่เราอยากจะให้ทำแต่วันหนึ่งเรากับร่างกายนี้ก็ต้องแยกทางกันไปนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรครับอันนี้น่าสมายที่ได้อะไรคนระับ สี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีครับตอนนี้มานั่งที่หน้ากุฏิรู้สึกเป็นไงบ้างนั่งสบายไหมก็สบายครับแค่ยี่สิบกว่านาทีเดียวๆนะครับอโอเคคุณแม่มีอะไรจะถามเปล่าไม่มีคระอาจารย์โอเคพยายามเจริญสติปัญญาบ่อยๆทำสมาธิจาใจสงบอ่ ถอนใจทุกอย่างเป็นตายรักอนนี้จังทุกขรังวันนั้นตาครับโ okay. อเคอธิษฐนี้ก่อนนะข่าวกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับเอคุณยายกับคุณสันโดษวัสการครับอาจารย์เอออยังไงบ้างคุณยายเห็นอย่างนีง้คยยางงาน ะ, ะยายก็ยังระลึกถึงอยู่ตลอดเลยนะคะ แต่อยู่<ม>บ้านแต่เดียวอคุณยายมอว่าร่างกายไม่ใช่ตัวคุณยายใช่ไหมมองเห็นไหมไม่ใช่ตัวยายใชร่างกายไม่ใช่ของคุณยายนะไม่ใช่ค่ ะ, ะแต่ยายก็อยู่แต่บ้านนะค่ะบางทีก็เจ็บบางทีก็ไม่เจ็จอะไรอย่างเงี้ยตามตามตามอันนั้นเกิดขึ้นมาอ่า S <S มันเจ็บก็ไปมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่เมื่อวานอาทิตย์นี้ก็ไปหาหมออยู่ก็เจ็บค่ะพ อ, อดีคุณยายล้มก็จะอ่าเพราะจริงๆโดยปกติคุณยายก็จะมีแม่บ้านคอยดูแลอยู่แต่ว่าทีนี้แม่บ้านเขาเพิ่งพาคุณยายไปนั่งแล้วคุณยายเขาเห็นพ้ม่านไม่เรียบร้อยก็เลยลุกเองอลุกเองไปแก้พม้ม่าน นี่พอไปแก้ปุ๊บจังหวะเดินกลับมาก็เหมือนแบบลงเสียหลักอาจารย์ย ก, ก็เลยต้องบอกคุณยายบอกเนี่ยเราต้องเอาธรรมาเข้ามาต้องปล่อยวางบ้างให้มีสติก่ <c oughs> อนจะทำอะไรคิดให้ดีก่อนว่า <c oughs> ทำไหวหรือเปล่าทำไม่ไห ว, หไหวก็ใจเย็นๆรอให้คนอื่นเขาทำให้ก็ได้ <c oughs> ส่วนมนาก็ะทำด้วยตัวเองค่ะ <c oughs> ทำให้ตัวเองแต่มันถ้าทำได้ก็ดีเพรานั้นทําทแล้วมันทําให้เราล้มหรือเป็นอะไรมันก็อย่าทําดีกว่าแล้วก็พยายามค่ะอืเราดูแลร่างกายเราก่อน<ะ>ของอย่งอื่นทําได้ก็ทำํำทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปะพยายามค่ะอจา <c oughs> ก็เข้าเข้ามากาบพระอาจารย์ครับลึกถึงพระอาจารย์เสมอครับก็ช่วงนี้จะเรียนหนักหน่อยเวลากลับบ้านก็ไม่ค่อยเป็นเวลาครับพระอาจารย์อย่างบางทีเรียนเลิกสองทุ่มปีปนี้อยู่ชั้นไหนแล้วอยู่เย a r สิบสองครับถ้าเที่ยวก็ประมาณมห้าครับพระอาจารย์ยังต้มีเลยปีหนึ่งเลยจบอีกเอ่าอีกไม่ถึงปีก็ต้องยื่นพอร์ตเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วครับพระอาจารย์ไม่ไม่แก่สิบสองเช่ไหม มีถึงยี่สิบสามครับแต่ว่าเวลามหลาลัยเขารับรอบพอร์ตเขารับช่วงตุลาปีหน้าครับพัชร์ก็ทํางไปเรียนที่ขอ ง, งอังกฤษนะใช่ไหมก็ <laughs> คุณพ่อคุณแม่ก็กําลังลังเลอยู่ว่าจะให้ไปที่ไหนครับพัชร์เลยไประบบอเมริกันเอแต่ว่าไม่น่าจะไปอเมริกรจจาพัชรก็ไม่อยู่ไทยก็อาจจะไปไม่ออสเตรเลียก็อังกฤษรับอาจาร ในเมืองไทยก็มีบาลาะไรที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ยใช่ไมครับใช่ครับอาจารย<อ>์กี่อันีไม่กีนก็ถ้าเท่าที่ดูแล้วตอนนี้ที่ดูก็แต่ส่วนใหญ่มีไม่มากครับอาจารย์คือมีแต่ว่าเขากำลังทยอยเปิดใหม่ไปเรื่อยๆครับอาจารย์เพราะว่าหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ที่ดูเนี่ยเหมือนเขาเขาทยอยเปิดไปเรื่อยๆเขาจ อย่างของธรรมศาสตร์ได้มีหรือเปล่าธรรมศาสตร์ธรมธรมศาสตร์มีครับอาจารย์เห็นว่าเรียกว่า CICM อาจารย์เป็นเป็นเรื่องของแพทย์การเรียนแพทย์นะอดาครับอาจารย์เป็นโรงเรียนแพทย์เหมือนกันเป็นของธรรมาศาสตร์แต่ว่าสอนเป็นภารรษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์ครับอาจารย์หนูยา ง, ยงเรียนแพทย์เลก็ยังอยากเกี่ยวครับเนี่ยเก่งดีไหม ก็พยักาประคองอยู่ครับพระอาจารย์ไม่ต้อง e n t r a n c ใช่ไหมถ้าเรียนอินเตร์นี่ก็ไม่ต้องสอนใช่ไหมไม่ต้องสอบ e n t r a อ c e มันไม่ต้องสอบ entrance เหมือนสมัยก่อนครับพระอาจารย์แต่ว่าถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยเด้วยด้วยรอพอร์ตนะครับมันจะต้องมีสอบอย่างอื่นด้วยเช่นสอบภาษาอังกฤษโดยการสอบ IELTS หรือว่าสอบถ้าถ้าเข้าจุฬาจะไม่ผิดเหมือนเขามี T-Test อะไรพวกนี้ด้วย ครับเป็นสอบย่อยเข้าไปอีกอะครับพนจันแต่ว่าไม่ต้องสอบแบบเหมือน a อ e v เ l อร์ซอะไรอย่างงีไ้ไม่ไม่ต้องสอบแบบครับพันระหวังว่าคุงยาได้เข้าที่ใดที่หนั่นนะนะพันจันโอ้บโอเคอ่าขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรง <S s ออไม่ล้มนะอให้ยืนก็พยายามคับ โอเคพระอาจารย์พระอาจารย์ท่าแ ง, งแรงครับเอ่สาธุคนนุณนิสาต่อค น, นิสาจ่าอนูมาสกการค่ะพระอาจารย์ยก็ชีวิตในประเทศไทยก็ปรับตัวได้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็สบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีก็ พยายามจะเข้าค่ะทีที่แล้วมันเหมือนมันหลุดไปมไม่รู้เพราะอะไรก็เลยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็พยายามจะเข้าทุปอาทิตย์ค่ะพาอาจารย์มากาบพระอาจารย์มาเออให้พระอาจารย์แบบเห็นหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะหายไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติทุกวันใช่ไหมก็ปฏิบัติตอนเช้าค่ะพระอาจารย์ตื่นเช้าขึ้นค่ะพระอาจารย์ตื่นตีสี่คึ่งค่ะพระอาจารย์ ต้องปรับเวลาให้เข้ากับสภาพนะค่ะพระอาจารย์ระหว่างวันก็ไม่ให้ลืมพุทโธมันจะหายไปเรื่อยค่ะพระอาจารย์อืเพราะว่าแบบเหมือนก็มันเปลียนปรับเปลี่ยนชีวิตเนี้ยเจอคนคืออยู่กับหลายๆคนเนี้ยค่ะอาจารย์ที่ก็ลืมอะค่ะพระอาจารย์เลยเวลานั่งสมาธิก็รู้สึกแบบมันจะไม่ค่อยแบบง่ายแบบไม่นิ่งเหมือนตรงไหนมันเหมือนแต่ก่อนนะคะพระอาจารย์ ืรู้เลยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนตอนนี้มันเหมือนมันมันอาจจะบอกคิดเรื่องรู้เรื่องนี้เยอะอย่างเงี้ยค่ะมีสิ่งเข้ามากระทบจิตใจอะคะ่ะพระอาจารย์เหตการณ์ในแต่ละยุคในแต่ละช่วงก็มีผลกระทบต่อการปฏิบัติค่ะอาจารย์แต่ก็ถ้ามถ้ามีเรื่องงอนก็ปฏิบัติง่ายขึ้นอือมันไม่ได้แบบเหมือนตอนที่อยู่อเมริกามันเหมือนมันไม่ได้เจอใครมันไม่ได้มีมีแบบไม่มีคน ไม่มีแบบสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะพรอาจารย์ตอนนั้นก็ไม่ต้อง engage มาใช่ใช่ค่ะไม่ต้องเจอผู้คนเยอะไม่ได้มีเรื่องราวเยอะแยะอย่างเงี้ยทีนี้ก็แบบตอนนี้ก็อยู่แบบตอ น, น, นอยู่ตอนนี้ก็อยู่กันหกเจ็คนยอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์มันก็ต้องมีเรื่องน<ม> เ, เ, เรื่องนี่บางทีทําให้เราแบบคิดไปนู่นไปนี่อย่างเง<ม>ี้ยค่ะอาจารย์มีเรื่องต้องคิด ค, ะคะ่ะพระอาจารย์ แต่ก็พยายามรักษาใจค่ะเป้าหมายหลักที่ย้ายกลับมานี่มีเป้าหมายอะไรหรือเปล่า อ, อ๋อไม่ได้วีเป้าหมายอะไรค่ะอาจารย์ก็คิดว่ากับจะกลับมาอยู่ที่นี่แบบแบบถาวร น, นะคะพระอาจารย์อืก็มาดูแลคุณแม่ ค, ค่ะอาจารย์ก็เหมือนค่ะก็ไม่ทําอะไรค่ะค่ะมาดูแลคุณแม่เพราะคุณแม่แบบไม่ค่อยสบายะคะ่ะพอาจารย์อืท่านแบบจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะพอาจารย์อื ต้องพาไปหาคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เนี่ได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณน ะ, ะ ท, ที่เรสาสั่งไปค่ะก็เลยแบบต้องมีรู틴 ท, ที่แบบต้องดูแลคุณแม่อะไรเงี้ย ค, ะค่ะก็เป็นการกระทำที่ที่ประเสริฐความดั น, นยูกต่าทีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เลยคือสิ่งที่โปรเจกที่คิดว่าจะแบบไปอยู่ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยต้อง พับไปก่อนค่ะก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะออาจารย์มันเปลี่ยนไปนะก็ต้องแบบพระอาจารย์ก็ดีก็ทำทั้งสองอย่างประโยชน์ของเราเองแล้วประโยชน์ของผู้อื่นค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ลืมที่จะปฏิบัติค่ะพระอาจารย์จะพยายามให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ก็คิดว่า น่าจะไปหาพระอาจารย์ประมาณเดือนมกราค่ะมาเลยไม่ต้องกังวลมานก็มาเลยไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่จะม า, มาหาพระอาจารย์ที่ห้องฟูมเนี้ยแะคะ่ะเอออย่างนี้มาได้ก็ม า, า, มาเราไม่มีอะไรตายตัวค่ะพระอาจารย์ยังระลึกถึงพระอาจารย์เสมอใครมาก็ได้เข้ามาก็ไ ด, าาได้ไม่มาก็ได้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะพะอาจ <ไป S 1> ารย์ไม่ต้องกังวล น, นะค่ะอืม โอเคค่ะ <Okay. S 2> ข, ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะไปที่คุณแนนต่อแนนอุดอนน้องสาวนักมาศการริมพระนครไม่มีคำถามเจ้โอเค okay. ไปที่คุณบัวทำไมงานอันนี้ได้นังสือเรียบร้อยยังทำนังสือเรียบร้อยยังนักการเจ้าค่ะได<ป>่ยินไหมคะไดยินได้ยินค่ะ อ่าผ่านแล้วค่ะสัมภาษณ์ผ่านนะเรียบร้อยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วนี่เขาจะเอาหนังสือให้ละอ่าประมาณสี่วันส่งมาที่หนองคายค่ะอ่าก็ดีวีซ่าคิกัสสิบปีเจ้าค่ะอืมก็ดีใจ๊หายเจ้าค่ะพระจันร์ต้องออกจากมืองไทยโอเเราไปเที่ยวแล้วกันไม่ได้ไปแบบไป อย่ที่ข้าใตาไปเป็นแค่สิบกว่าชั่วโมงก็ถึงแล้วเจ้าค่ะก็จะปฏิบัติไปในแนวทางของพระอาจารย์สอนก็จะเมตตาแล้วก็ใช้สติให้มากเจ้าค่ะพยายามมีเมตตากรุณานะทุกคนเจ้าค่ะใครก็จะร้ายกับเราเราก็ไม่ตอบไปตอบโตเ้เราใช้ความเมตตาให้หายไปเจ้าค่ะ เมื่อเรามาไม่เราไม่ต้องการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครเจ้าค่ะออดทนใจเ ย, นยน็นๆพุทโธพุทโธอเจ้าค่ะนิะะ่งได้ดีสุดไม่พูดท่าที่สุดเจ้าค่ะก่อนจะพูดก่อนจะพูดนี้เราเป็นนายของคําพูดแต่เวลาพูดไปแล้วนี้มั่คําพูดมันจะเป็นนายของเราเจ้าค่ะนึกคิดให้ดี<บ>ก่อน เจ้าค่ะแต่พูดไปดีก็อย่าไปพูดดีกว่าเจ้าค่ะเดีย๋ยวต้องใช้นี่ใช้เวรใช้กรรมเองเจ้าค่ะขอบพระคุณที่เมตตาเจ้าค่ะพระอาจารย์ เ, เข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะาสาธุจ้ะสาธุยินดีด้วยยินดีด้วยขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าไปที่คุณอนุษาเชิญอนุษากทบน้ัสกามกับพระอาจารย์ โยมโยมไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีเยื่องไม่มีอะไรคือไม่ไม่มีเรื่องอะไรครับเราก็เคลียร์กับปัญหาของเราไปได้เรื่อยๆกระเทอะกิเลสเราไปได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์อืปัญหาของเรามันก็อยู่ที่กิเลสของเราเนี่ยใช่ไหมครับค่ะโยมโยมว่าพอพอย้อนกลับไปกลับมามันก็กลับมาอยู่ที่ความอยากอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์อืมทุกเรื่องค่ะแรกๆโยมคิดว่าปัญหาของคนนั้นมาพูดให้โยมฟังโยมก็บอกเอ๊ะคนนี้มีกิเลส เอกลายเป็นว่าเรามีกิเลสเอาแล้วเราต้องทํำยังไงก็อุเบกขามันก็ก็จบตรงนั้นนะค่ะอาจารย์อยู่ที่โ่กอุเบกขาเพราะว่ามันเป็นความอยากของเราอย่างเดียวแล้วก็ตัดมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะอาจารย์บางทีก็เท่าทานบางทั้งก็พลาดก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นมันใหม่แค่นั้นนะอาจารย์อืพยายามอยู่กับมันค่ะก็ทั้งทางโลกและทางธรรมมันก็เป็นบททดสอบให้เราหมดทุกเรื่องค่ะอาจารย์เรามาอยู่ในทางโลกเนี่ย จริงมันก็เป็นการทดสอบอารมณ์เราเหมือนการทดสอบความคิดเราเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์หนุมก็เลยต้องจะท้อมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว ก, ก็เราก็รู้สึกว่ามันมันจะเย็นขึ้นเรื่อยอ่ะค่ะอาจารย์เย็นขึ้นเย็นขึ้นค่ะอย่าอย่าไปคิดด้วยด้วยความอยากใช่ค่ะคื อ, คอบางทีใช่ผลค่ะบางทีก็อ๋อพอบางทีเรื่องบางเรื่องใช่ไหมคะเหมือนกับมีคน อาพูดง่ค่ะอีกคนนึงมาวิจารณ์อีกคนหนึ่งให้โยมฟังโยมก็รู้สึกเอ๊ะทําไมคนแบบนี้เป็นงี้เอากลายเป็นว่าเราไปยุ่งเรื่องเขาย้อนกลับไปกลับมาก็เป็นกิเลสของเราอยู่ดีเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดอ่ามันก็เป็นตัญหาของเราเป็นกิเลสของเราอยู่ดีค่ะอาจารย์โยมก็ อ, กอ๋อมันก็กลับมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ย ต, ย ต, ยต้องวางเฉยฟังแล้วก็วางเฉยไปใช่ค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อจบที่อุเบกขาทุกเรื่องเลยค่ะจบตรงที่อุเบกขายอย่างเดียวเออถูกต้องค่ะ <g ül üyor> ก็ก็ดีหมอให้เห็นเป็นตายรักไปค่ ะ, <g ül üyor> คะก็จําอยู่คําเดียวคือว่าเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบค่ะอาจารย์จําแบบอมีทําให้รู้สึกว่าเป็นคนเย็นขึ้นเยอะค่ะอาจารย์เป็นคนเย็นขึ้นเยอะเลยค่ะอืมค<า>่ะดีค่ะขอพอบคุณพระอาจารย์นะคะที่ทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันอยู่ที่เราหมดเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราตัดมันได้เราก็รู้สึกแบบ ไม่มีอะไรแต่ว่าการที่จะตัดแต่และเรื่องแต่และเรื่องมันก็ทุกนะคะจาย์กว่าจะจังสิตอ๋อที่เราทุกเพราะเราไปอยากถ้าเราไม่อยากก็ไม่ทุกก็แค่นี้แพ้แล้วแพ้ใช่ค่ะมันก็ต้องปุ๊บอุย๊ยมันมันยัง ไ, ได้แค่นี้ก็ยก็ได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วค่ะจันอยอมชมตัวเองค่ะจานรู้สึกแบบอืมก็เช่านี้เองค่ะดีแล้ดีกว่าไปฟุ้งกับเรื่องอนอื่นนะ ใช่ค่ะจย์ตอนนี้คือกลับมาเคลียร์ตัวเองอย่างเดียวแหละคนอื่นโยมก็อ๋อปล่อยเขาไปอูเบรขาเรื่องของเขาค่ะไม่เปลี่ยนเขา<ม>กลับมาเคลียร์ตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื ย, เยค่ะ<ม>ที่<ม>เรไปน อ, อนาตาไปหมดกันแ้วน่นใช่ค่ะใช่ค่ะจันทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วก็ไม่รู้โยมจะคิดยังไงบางทีวันนี้ไปงานช่วงที่ผ่านมาไปงานศพก็แอบรู้สึกเข้าไปเขาเสียชีวิต ก, ก็ดีนะเขาไม่ทุกข์ เออเราคิดแบบนี้เราผิดหรือเปล่าแล้วก็เออกลับมาอยู่ที่เราเฉยๆค่ะอาจารย์แล้วก็ไปนั่งในงานศพนะคะพยายามมองว่าทุกคนไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะพยายามมันก็อีมันก็อีที่เรานั่งเนี่ย่ค่ะมันก็จะว่างไปหมดะค่ะอาจารย์ยมนั่งใช่ไหมคะยมนั่งแล้วก็มองข้างๆกําหนดข้างๆว่าไม่มีอะไรก็เหมือนกับไม่มีอะไรจริงๆค่ะอาจารย์มันว่างเปอย่างนี้จริงครับอืมและขณะที่ฟังในซูมมาสักครู่นี้ฟังไป มันก็นิ่งค่ะอาจารย์มันก็นิ่งนิ่งนิ่งมันรู้สึกโล่งลึกลึกๆึกลงไปค่ะอาจารย์มันก็ดีค่ะโ <I do. S 1> ยมขอบพระคุณ <I do. S 1> ว่าอาจารย์ <I do. S 1> นะคะ <I do. S 1> <laughs> ทาให้คนแบบโอ้โห โ, โ, โหหล้ายขนาดนี้ <I do. S 1> กลายมาเป็นคนที่นั่งยิ้มไปแล้คนว่าได้เนี่ยค่ะอา <I do. S 1> จารย์ <I do. S 1> มันค่อนข้างยากอยู่ <I do. S 1> แต่พอยมไปที่วัดใช่ไหมคะโยมเขาก็ถามว่าพี่พี่เป็นอะไรทําไมพี่ผอม พี่ไม่สบายเหรออะไรเงี้ยค่ะโยมก็ mm hmm. แต่ต้องแขวนป้ายแขวนคอแล้ว mm hmm. แต่ก็แอ บ, บคิดคำคำเฉยๆค่ะจารย์ไม่ได้ทุกอะไรกับเขาค่ะจันเป็นมารนะเป็นพระนะพระเป็นพระชนะเป็นมารโยมโยมก็ยิ้มอย่างเดียวค่ะแล้วก็แอบนึกในใจคำคำโอ้ถ้าแขวนป้ายแขวนคอเขียนป้ายแขว น, นคอได้นี่เขาน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะพอคนถามก็ยกป้ายให้ดูไม่ต้องตอบค่ะจารย์อ mm ัม hmm. มีค น, นถามพี่ทำไมพี่ไม่ปงเทพพี่ไม่สะดวกอย่างเนี้ยประมาณนั้นนะคะอาจารย์ไม่ไปกับเขาแบบไม่อยากจะไปมันเหมือนบางทีเราไปเยอะๆเราจะแกว้งเองนะคะอืมแต่มันก็ทดสอบเรานะคะจารย์ถ้าเราไปอยู่ในสังคมทดสอบเราว่าเราจะแกว้งมากแกลงน้อยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเพราะเราแกลงเราก็กลับมาเอาใหม่เรื่องใหม่ก็ทดสอบใหม่ค่ะจารยังทําแบบให้มันไม่แกว้งยังไม่ได้นะยั ง, ไ, งได้อยู่ค <c oughs> ่ะจารย์ได้เยอะอยู่นะคะจันอยู่ได้อยู่แต่บางทีก็ แบบกุ๊บแต่ว่าเร็วขึ้นค่ะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ข้ามวันข้ามอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวค่ะอาจารย์ทําได้อยู่ค่ะต่อ่ปต่อไปมันต้องไม่แกว่งเลยนะเอาค่ะอาจารย์พักพึ่งค่ะอาจารย์นี่มันต้องมีสติแล้วก็ต้องคิดค่ะอาจารย์อืมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณที่อาจารย์ตาธุค่ะาคุณอ้อมยินไหมคุณอ้อม อยังต้องไปให้เลคเชอร์ให้ใครฟังอยู่เปล่าไม่ค่ะเอเหมือนบนหน้าที่แลค่ะอ่อวันหยุดนี้ขึ้นเขาค่ะอาจารย์ขึ้นอีวันสองคืนเหมือนเดิมจองจองไปเมื่อวานว่างพอดีดียังว่าดีโอเคเอาให้เต็มที่นะครับ ออกไปหาความกลัวและความกลยวที่ไหนไม่ไปหามันนลยค่ะอยังไปหลบมันไห<ม>้ออกไปเดินหาความกลัวกลัวอะไรลองออกไปเดินหาดูค่ะไหวไหมไหวค่ะอืมตอนคืนออกมาเดินหาความกลัวได้ไหมได้ค่ะเอ อ, อ, ะอลองดูนะ แลับไปเราต้องไม่กลัวอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะโอเคมีทนี้นะอ่าจะบอกพระอาจารย์ว่าวันที่ห้าที่จะถึงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ครบรอบห้าปีที่รู้จักพระอาจารย์ค่ะห้าปีเลยเหรอเดี๋ยวกันน่ค่ะอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วก็ห้าปีก็ไปเจอพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่บ่อเวินเนี้ย้ะใช่ค่ะอืมบ้านอยู่บน ใช่ค่ะอืมอาจจะย้ายกลับไหมแล้วม่ย้ายก็ทํางานไปเรื่อยๆก่อนค่ะอืมดีงานดีไหมดีค่ะอืมเกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นแ lap แล้วเป็นไง้เป็นใช่ค่ะทําอยู่ในแ lap ค่ะอาจารย์เอ่อเป็นทําอ่อน้ํายาเป็นยาค่ะเป็นเวชภัณฑ์อืมเป็นเป็นยาแบบ ยาภาสากเชื้อค่ะอเอาไปเอาไปผสมกับการทำการทำยาอย่างอื่นใช่ไหมเนี่ยอไม่ค่ะก็คือใช้กับผู้ป่วยโดยตรงเลยค่ะใช้ได้เลยค่ะไใช่ค่ะนี่ก็เป็นบริษัทยาที่เราทำงานอยู่นใช่ค่ะอืมแล้วจบอะไรจบเภสัชมาเลยอะจุลชีวะค่ะอี่โอเคค่ะก็มารายงานพระอาจารย์ค่ะว่าจะขึ้นเขาค่ะได้ ขึ้นขาววันไหนวันสูงนี่นะใชค่ะวันที่ห้าีกครบห้าปีในช่วงหังห้าปีค่ะโอเคขอขอบพ่าคุณอาจารว่าคงจะเห็นอะไรดีๆนะยองตายเห็นธรรมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบพคุณค่ะอาจารย์สุภัตราจารยังไงเหนื่อยไม่สารต้องสือ กลับมามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเสียงลูกไหมเจ้าค่ะไม่นี้ชัดเจนเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเจ้าค่ะไม่ใช้โทรศัพท์แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวลูเปิดเสียงเดี๋ยวลูกเปิดเสียงดังอีกติดหนึ่งจะได้ยินเหนื่อยเจ้าค่ะงานเยอะแต่พยายามตื่นมานั่งสมาธิเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็ฝึกไปโอเคงานสมาธินี่สาคัญกว่างานอ่งื่น เจ้าค่ะแล้วก็ตื่นตื่นมานั่งก่อนไปทํางานเจ้าค่ะเหมือนเติมเติมพลังก่อนไปเจ้าค่ะดีทำให้ใจเย็นเอาอ่เจ้าค่ะก็เหมือนได้เดิมเหมือนเดิมบอกว่ารู้สึกถ้ามันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากมันไม่อยากทุกก็ตัดมันไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์มเมื่อวันอ่า <c oughs> เมื่อวันเสาร์เจ้าค่ะพี่สาวของของ ข, ของลูก อยู่ดีๆก็เป็นเส้นเลือดสมองตีเป็น s t r o k ก็ขาพับไปเลยเจ้าค่ะข้างสาวช่วยช่วยทันไหมเอ่อช่วยทันเจ้าค่ะเขาเขาเรียกรถพยาบาลทันก็ภายในชั่วโมงกว่าพอดีโชคดีที่ลูกสาวเขาอยู่ด้วยลูกสาวเขาเป็นทหารเรือแล้วก็กลับมาบ้านพอดีวันเสาร์แล้วค่ะก็เราเขาก็เลยบอกให้ลูกอเรียกรถพยาบาลก็ทันชั่วโมงครึง่ง ประมาณชั่วโมงครึ่งเขาก็ได้ไปห้องห้องเอ่อไปห้องฉุกเฉินคุณหมอก็ให้ยาตระลายเล่มเลิ น, ลน่ะเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็แล้วก็ให้อยู่ไอซูเพื่อเพื่อตามดูมจะดูเหตุการณ์นะเจ้าค่ะดู<ม>ว่าผณเป็นยังไง<ม>ก็ตอนนี้คือขาข้างซ้ายยังอ่อนแรงอยู่ก็ทำกายภาพบำบัดแต่ก็ดีขึ้นเขาบอกว่าโชคดีมามาทันเวลา<ม>ก็เลยปลอดภยัยแต่ว่า สิ่งที่ลูกก็ได้ศึกษาก็คือว่ามึดพอใจเราเขาไม่ได้เตรียมไว้เจ้าค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ชอ็อกคือเขาก็ตกใจกับสถานการณ์แล้วก็แล้วก็คือร้องไห้คือควบคุมตัวเองไม่อยู่เลยทำให้หมอไม่กล้าที่จะให้ยาเพราะว่าความดันขึ้นสูงมากเจ้าค่ะก็ในเตารณ์นี้มันสะเทือนใจมากนะไม่คาดฝันมาก่อน ใช่เจ้าค่ะเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ไม่คิดว่าคือเขากําลังจะก้มไปชาร์จแปดโทรศัพท์แค่นั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปุ๊บเลยเขาบอกว่าคือขาข้างซ้ายมันไปเลยแล้วเขาพยายามที่จะขยับหรือควบคุมก็คือทําไม่ได้เจ้าค่ะมันมันไม่รับความรู้สึกมันทําไม่ได้เลยขนาดคือคือคือรถพยาบาลมาเจ้าค่ะพยาบาลมาต้องอุ้มลงมาจากชั้นสองเจ้าค่ะ แต่หน้าหน้ายังไม่เบี้ยวหน้าไม่เบี้ยวดีต่อช่วงล่างที่อ่อนแรงเจ้าคะ่ะเขาก็เล่าให้ฟังดีนี่ต้องอาสัยถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยเราก็จะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเราก็จะมีสติคอยกลุ้มใจไม่ให้ทุกข์กับมัน เจ้าค่ะก็เลยทำให้ลูกนึกนึกถึงพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะเวลาเห็นเขาก็เลยทำให้นึกถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์สอนเสมอว่าให้เราต้องไม่ประมาทเจ้าค่ะให้เราเตรียมเตรียมใจเตรียมตัวเองลูกเลยกลับมาย้อนตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังเราอะไรก็ลูกก็แบบอืมก็ก็ทิ้งไม่ได้อย่างที่พระอาจารย์บอกหทิ้งเด็ดเหมือนน่ากลัวเจ้าค่ะ โลกโลกใบนี้รู้สึกมันน่ากลัวจังเลยมันอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้มันมันน่ากลัว <จะ S 2> มันเป็นอะไทุกข์ไงโลกเห่งความทุกข์แต่เรากับเรากับไปฉลองวันเกิดกันาากคนจะไว้ไว้ทุกข์ในวันเกิดจะดีกว่าใช่เาจา้าค่ะลูกเห็นพี่สาวก็เลยกลับมามองตัวเองเจา้าค่ะว่าอืมมันเราเราต้อง ห้ามทิ้งเด็ดขาถ้ามประมาทมันมัน <ừ m. S 2> มันน่ากลัวเห็นแล้วมัน <ừ m. S 2> เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นไทยจริงๆเจ้าค่ะไม่รู้จะถูกแวันที่ที่เท่าไหร่นะที่หนึ่งที่สอง <laughs> พ, รพระอาจารย์ ส, สอนเสมอว่ามันก็ต้องเป็นโลกใดโลกหนึ่งแหละแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรอจับฉลากได้ไปไหนยังไม่รู้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเอาโลกที่มันหนักที่สุดอย่างนี้สุด คือลูกก็แบบโอตาแล้วพี่สาวคนที่สองก็เพิ่งเป็นมะเร็งไปพี่สาวคนโตก็มาเป็น stroke อีเราก็ตายแล้วเนล่อเราแล้วเราจะเป็นอะไรเนี่ยกำลังนั่งคิดเียมตัวไว้ก็แล้วกันไ ม, มไม่มีใครรู้โจ้ค่ะเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์บอกโรคใดโรคหนึ่งนั่นแหละกอขอคองอจอ ม, มันเดมันก็ไรล่มาเราจะเป็นอะไร <c oughs> โอ้ยแต่และาคนแต่เะคนพายน้พายน้ลูกกระทงไว้เลยเห็นเขาแล้วเขาร้องไห้แบบคุมตัวเองไม่อยู่ลูกก็โอ้ยถึงตาเราเราเราจะเราจะเป็นยังไงมัางนาะที่ว่าเราฝึกฝึกมามันคงจะมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนา<ฮ>ะคิดอยู่เท่าไหร่ได้สังมัคนคงจะผ่านาไม่ว่าจะเกิดขึ้นใจเราก็ต้องเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ลูกคงกอะพุทโธเจ้าค่ะลูกคงกอพุทโธยองกกพุทโธอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะถ้าถึงอะไรก็พุทโธพุทโธถ้าสอนใจไม่ได้ก็ใช้พุทโธสงบไปก่อนเอาพุทโธนําไปก่อนนาไปก่อนจนจนรู้สึกมีอะไรแล้วค่อยค่อยค่อยค่อยคิดค่อยเอาปัญญามาเะเจ้าค่ะเก่าเรียนพระอาจารย์อันนี้เจ้าค่ะจับปัญญามองร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเนะ เป็นคนรับใช้เรามันจะเป็นอะไรก็ดูแลมันไปตามอัตภาพเจ้าค่ะน้อมนําคําสอนเจ้าค่ะกับพ่อพีค่คนเจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรเราผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ร่างกายเป็นแต่เราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกจะคอยเตือนสติตลอดเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณกัญชิดไต้หวัน น้อมกลับน้ำมัสการพราอาจารย์ครับอือเป็นยังไงสบายบาดีครับรอาจารย์มีอะไรไหัหยวันนี้ตั้งใจเข้ามากลาวป้าอาจารย์ครับก็มีอยู่ครับรอาจารย์มีก็เหมือนเดิมครับนั่งไปแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็มืดไปแล้วก็กลับมาพูดโทรเหมือนเดิม แล้วก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยครับสติเนี่มันบางทีมันขาดตอนเลยก็เลยมันก็เลยหลับไปพูดไปครับอาจารย์พยายามฝึกสติในระหว่างวันบ่อยๆพุทโธพุทโธไปทํางานก็พุทโธพุทโธไปครับไปทํางานก็ขึ้นพุทโธเองครับเรา<ม>เราเราทุกลมหายใจมันจะเป็นพุทโธเลยครับไปทํางานครับอ ถ้ามีพุโทโธแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิมันจะไม่เผลอมันจะไม่ล้มครับรพระอาจารย์เอเคนะครับอ่าไปที่ตรงน้อยครับนอยชยานิดหายหน้าไปนานเนี่ยอยู่ข้าง่างเนรอกลาวนะรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าไม่ในฟังอยู่ข้างนอกจ้ะค่ะอ่าไม่ครับพอดีนะ หน่อยไม่ได้นั่งสมาธิหน่อยง่วงมากเจ้าคะ่ะกลัวตัวเองหลับก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิฟังพระอาจารจะะย์เจ้าค่ะกิเลสตัวนี้แรงมากเลยคะ่ะพระอาจารย์เราง่วงนี่เลยเจ้ค่ะมันเป็นคนอยากกินเลยที่กินมากหรือเปล่าใชใช่เจ้าค่ะแต่ว่าก็บางคนอายุเยอะขึ้นนอนก็ไม่ค่อยหลับแต่ว่าหน่อยหลับดีเจ้าค่ะโอเค ก็ดีแสดงว่าไม่ไม่ได้ทำบาปไว้อ๋อมีคนหมอกอยู่ค่ะว่าใครนอนหลับดีแสดงว่าแต้มบุญเยอะอะไรอย่างเงี้ยวันถึงหมอนแล้วหลับง่าย อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามากับพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้ามานามแล้วค่ะแล้วก็ค่ะอืมแต่หน่อยฟังข้างนอกนะคะพระอาจารย์แล้วก็ นอนพื้นทุกวันพุธเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารู้สึกละอายใจจังเลยแบบพี่ๆท่านอื่นได้เยอะกลยานามิตรได้เยอะสินปรงสินแปดแต่หน่อยไม่ได้เลยมไม่ไม่คิดจะพัฒนามากเลยอยากเกาะ อ, อยากเกาะไปเรื่อยๆเจ้าค่ ะ, ะเห็นพอมีสติก็จะเห็นทุกค่ะพระอาจารย์ขับรถไปไหนอ ย, อย่างเงี้ยเห็นแบบ พอมีสติปุ๊บ ก, ก็จะเห็นว่าสักวันนึงเราต้องจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ทุกอย่างก็ทุกคนก็ต้องตายหมดเราก็ต้องตายเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะพระอาจารย์เห็นแต่ความตายเจ้าค่ะว่าแค่นี้ได้ก็ดี<ต>ช่วยะละช่วยลดความหลงได้เยอะช่วยลดความโลภได้เยอืมแต่ว่าหน่อยเหมือนกับพอมีสติแล้วก็จะคิดถึงอย่างนี้ตลอดเลยค่ะอย่างที่หนายบอกพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมก็จะไม่ค่อยแต่ น้อยมากนะคะที่จะแบบนั่งสมาธิแล้วแบบได้ะคะ่ะ <G> ก็เป็นสวดมนต์แท น, นะคะ่ะพระอาจารย์อืมก็เข้ามากาพระอาจารย์ค่ะโอเคสาธุพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าคะ่ะย่าสบายดีอ่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่อะคะ่ะก็จะไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปวันไหนไปพระอาจารย์บิณฑบาต ท, ทุกวันเลยไหมคะทุกวันทุกวันวันพระบินไหมคะบินบิ น, บนทุกวัน ปีเดียวจะมีวันวันเดียวที่ไม่ได้บินวันวันตัดบาทเทวอ๋อเจ้าค่ะก็เดี๋ยวหน่อยหาวันไปที่คนน้อยๆหน่อ ย, อยถ้าเป็นวันที่หนึ่งก็จะผ้าจานก็จะคนเยอะคนเยอะคนเยอะใช่ค่ะจะหาโอกาสในวันในปีนี้เขหยุดเขาหยุดห้าวันหรือเป่าเขาหยุดวันศุกร์ด้วยเป่าใช่เจ้าค่ะเห็นไหมตอนนี้เห<ต>้าวันไปเลยนะห้าวันได้เจ้าค่ะถ้า พระอาจารย์<ช>ไม่เบื่อหน้าหน่อยนะไม่ไม่ไม่ไม่ถึงท้ททาราชการก็ให้อยู่ถ้าวันนี้ใช่จ้ะค่ะแต่ก็ก็เดี๋ยวหาวันไปที่แบบวันไหนที่แต่ไหนว่าวันที่หนึ่งอะคนเยอะแน่นอนพระอาจารย์อืมก็มีประมาณนี้จ้ะค่ะโอเคให้มีแต่ความสุขนะความเจริญสาธุขอบคุณพระอาจารย์จ้ะค่ะอ่าไปที่คุณหมอภาชนะ ค่ะกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ยังเดินสายอยู่อ่ะไม่ค่ะกลับไปมีสติแล้วค่ะพระอาจารย์ <evet. S 2> แต่ว่าอ๋อก็คือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไหนเลยนะคะปีไหมก็ไม่ได้ไปไหนน้องๆก็ไปเมืองนอกกันแล้วก็แล้วก็มาอยู่อยู่เ อ, อ, พอนพ่อแล้ว่ออันดานี้ถ้าไปเที่ยวว่สอบตกฮะ <laughs> <laughs> ไ, ไม่เห็นแล้วอาจารย์ไม่อยากเที่ยว <laughs> แต่ว่าพอดีแบบคุณพ่ออยู่บ้านแต่ว่าแต่ว่าจะบอกคุณพ่อแล้วว่าขอจัดเพราะว่าพระอาจารย์เตือนสติแล้วก็ก็ ที่เดียวแล้วค่ะพระอาจารย์แต่เลพยายามอยู่ที่เดียวคือจริงๆใจอยากเข้ามาแต่คุณพ่อแบบมันเหมือนแบบว่าอายุมากขึ้นคุณพ่อยังอยากไปนู่นมานี่อยู่มาไม่ได้นะพระอาจารย์อยู่เๆแล้วอยู่เฉยๆแล้วเบื่ออยู่ยนีมัใช่ใช่แต่ไม่ตัวยังก็ไม่ทุกนะก็คือพยายามแบบดูแลคุณพ่อแต่ทีไม่ไม่ทุกข์ก่อพระอาจารย์เพ็นว่ารู้สึกว่าเออจะต้องไม่กินอนุโลผ่อนผันให้คุณพ่อแล้วคุณพ่ออยากจะไปไหนก็ไป แต่จะไม่พาไปเที่ยวไกลแล้วแต่เอยากไปชวนอย่ากไปชวนพ่อไปก็แล้กันให้พ่อก็ชวนล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือพอวันที่น้องดูแล้วก็ทําตัวเองพระอาจารย์ค่ะอืก็ตั้งใจทำมาพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือมันมีสติได้มันไม่มันไม่รีบอะไรมันไม่รู้สึกอะไรพระอาจารย์เพียงแค่รู้สึกว่าคุณพ่อดูแลเราตอกเด็กอยากตอบแทนนั่นเองพระอาจารย์ uh huh. ตอนนี้พยายามใจอย่าอยเข้าวัอยากไปวัด <laughs> เพ่อสงบ มันต้องตบอบแทนคุณนะนะค่ะเพราะพาไปวัดไปวัดเออยู่วัดไม่ได้คุณพออยู่ไม่ได้แต่ถ้าไปทําบุญอะได้แต่อยู่วัดคุณพออยู่ไม่ได้ไม่ไ ด, ได้อยู่มากนะค่ะได้ขอบคุณพระ อ, อาจารย์มากเลยนะคะที่เตือนสติเนี่ยบอสติมาโอเคอย่างเยอะค่ะอสาธุขอบคุณค่ะใครตอบคุณจีบเลย มันจิบก็หายไปแล้วที่ทำงานนะจิบโอยอาจารมะสแกนค่ะอาจารย์โยมเลยนึกถึงพระอาจารยลล์ตลอดเลยค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะจ้าสบายดีโยมพอดีมันปรับเวลาของะอาจารย์ตอนนี้มันแปดโมงพระอาจารย์เริ่มแปดสองทุ่มมันเปลี่ยนมาเป็นแปดโมงเช้าของโยมแ ล, แล้วแล้วมันเป็นช่วงชุกระหุมากเลยคือแบบต้องเอาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็ขับกลับบ้านแล้วก็ต้องเตรียมตัวเองเพื่อจะไปทํางานมันก็เลยแบบบางที หันไปมองนาฬิกาแล้วยอมไปชอบมันคุ้นชินกับแบบโอเค9โมงช้าต้องล็อกอินาหัานไปเฮ้ย8โมง10พาจะล็อกอินตอน8โมงเช้าแล้วเวลาเปลี่ยนก็เลยแบบโอ้ไม่ไ้เข้าเลยไม่กล้าแบบไม่กล้าเข้าเพราะว่าวกลัวว่าแบบสงสัยก็คนคนเต็มแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยฟังรอบนอกกับสลินทอนก็คุยกันแว่าวตอนวันพุธตอนเย็นก็จะ สลินทร อ, อยูเข้าหรือเปล่าเนี่อาทิตย์ทีทท่แล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้เข้าเหมือนกานอะเ ง, งี้ยเขาก็นึกว่าโยมเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปซะอีกยมก็บอกเอายอมก็ น, นึกว่าสลินทรอนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปซะอีกเหมือนกันอะไรก็เลยแบบว่าต่างคนต่างแบบว่าโกกอกัๆก ง, กงๆก็พยายามระลึกพุทธพุทธเสมอค่ะพระชาติเมื่อวานนี้ก็มีบททดสอบแบบหูมันเป็นอันนี้มันบททดสอบใหญ่ของโยมไหมคะพอดีว่า ลูกชายตื่นมาตอนเช้าเมื่อวานนะคะแล้วเขาบอกเขาเจ็บหน้าอกเจ็บมากเลยค่ะพระเจา้าแล้วพอดีลูกยมมีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจมันมันรั่วนิดนึงมันติดไม่สนิทไปนิดนึงอะคะ่ะแล้วยมเขาก็บอกเขาเจ็บหน้าอกยมก็เลบอกว่านั้นเรียกไปไปห้องฉุกเฉินเลยพอเขาไปถึงก็แบบทุกคนพยาบาลเขาก็ต้องทําแบบเอกซ์เรย์ทำแบบทดสอบหัวใจแล้วมันมันน่ากลัวตรงที่พยาบาลบอกว่ามีสารเคมีเอ่อมีเอนไซม์ตัวนึ่งนะที่มันผลิตออกมาเกิดจากการที่อ่ากล้ามเนื้อหัวใจ Age, อะไรเงี้ยค่ะโยมก็เฮ้ยลูกเป็นอะไรอะไรเงี้ยโยมแล้วมันก็อยู่ไกลมากก็แบบจิตใจคือแบบว้าวุ่นไปเลยนั่งแบบพุดโธพทโธไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยคือแบบมันผสมกันสองอคือเราก็เลยมานั่งมองเหมือนพระอาจารย์เคยพูดว่าเวลาเห็นคนอื่นไม่สบายเกิดกาเจ็บตายของถ้าถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รีเลตกับเราอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราก็วางใจเป็นกลางได้ใช่ไหมคะ แต่พอมันเกิดกับคนที่เรารักมากอะไรยเงี้ยค่ะมันเลยแบบทําใจไม่ได้มันใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าโยมอบบไม่ได้กลัวความตายแต่แค่บอกว่าคือมันไกลกันมากแค่โยมคิดว่ามันไกลกันแบบสิบสี่ชั่วโมงจะบินก็ต้องก่หาตั๋วอะไรย่งเงี้ยถ้าลูกเกิดแบบคิดไปถึงแบบเราก็จินตนาการไปแบบถ้าเกิดลูกหัวใจวายเราจะไปทันได้แบบเอารูปแบบพุทโธพุทโธก่อนไปไหมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ วันนี้เขาไปอยู่ที่ไหนนะเขาอยู่วิสคอนซินค่ะพระอา <Wisconsin. S 1> จารย์ถ้าขับรถมันก็จากบ้านยมไปก็สิบสี่ชั่วโมงคือสาเหตุที่ไปเรียนตรงนั้นเพราะว่าโปรแกรมวิศวะ amp, เขาก็ดีแล้วเขาก็ได้ทุนแบบสี่ปีเต็มเลยอะค่ะก็เลยแบบใช่ค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็พอดีว่าช่วงแบงค์สกิฟฟิ้งที่อาทิตย์ที่แล้วเขาไปบ้านเพื่อแล้วเขาไปชิคาโกแล้วอากาศมันเย็นมากค่ะ มันแบบมันหนาวหีมาตกแล้วเขาก็ไม่ไม่คือเหมือนกับไม่ได้เตรียมตัวว่าเสื้อผ้ามันอุ่นมากพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณพอดีว่าได้เขาต้องนอนโรงพยาบาลสองวัน ค, คุณหมอก็เลยยกคุยกับโยมเมื่อวานนี้บอกว่าลูกเป็นอืมคุณหมอคิดว่าเป็นแค่อินเตอร์เมทเธอร์เขาเรียกอะไรอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดจากไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอให้ยาแก้อักเสบแล้ว แล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องทำเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องทำเอ<ม>็กโคทำอะไรอะซีทสแกนทำเอ็มอาร์ไออะไรแบบนี้ค่ะฉีดสีเขา้าเข้าเลือดเส้นเลือดเพื่อจะไปดูหัวใจว่าอไอวาลฝาปิดเปิดมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยแบบจิตตกไปแบบเมืบบ่อวานแบบจิตตกสุดๆเลยบอกว่าแต่ยยมจะมีคาถามคาถามนึงค่ะพระเจ้าสมมติ คือตอนนี้ไม่ได้สมมตินะคะคือเ ป, เป็นอยู่ทุกวันเวลาเรานั่งว่างๆเราก็จะพุโทโธอัตโนมัตะคะิค่ะพระอาจารย์สมมุติถ้าจิตสุดท้ายเราสมมติเราจะตายไปปุบ ป, ปับแบบเหมือนเหมือนพี่คุณก่อนหน้านี้คุณพี่สาวคุณสุภัทราค่ะถ้าเราเกิดวูไปแล้วแบบแต่ในเราพุโทโธอยู่ทุกวันทุกวันมันเหมือนเหมือ น, ม, นมันเหมือนเป็นอัตโนมัติไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงเวลามันก็มันจะเป็นอัตโนมัติไหมคะเวลาที่เราแบบเกิดป็นแบบอยู่ดีๆไม่รู้ตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องรอดูดิจะรอดำไมมัน่าจะอยู่รอดูอยู่อยู่นอกล้านตัวเอง่แต่ลแต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันนะบางคนทราบอดีตพอขึ้นเวทีล้มเหลวก็มีคือชนะแบบว่าโดนนกอ้าวปุบไปเลยตื่นเวทีไงพอขึ้นเวทีนี้ตื่นเวทีชี่าดเลยย่อคงเป็นตื่นแน่เลยพี่จันไม่ได้ตื่นรู้นะตื่นกลัวตื่นกลัว แต่ถ้าเรามีความมั่นใจเราก็ไม่ต้องถามใครนะมั่นใจขึ้นตื่นเวทีก็พูดโธได้เลยก็มีมันก็เพียงแต่ทําให้เราไปสงบหรือไม่สงบเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ว่าแต่พอเราไปแล้วแต่บุญบระบาดนี่มันยังมันยังมันยังไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะไปสวรรค์หรือไปอาบายนี่มันอยู่ที่บุญหรือบาตที่เราสะสมไว้ในใจเราค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปด้วยพุทโธ คือจิตเรามันเหมือนกับมันก็จะไม่กลับมาที่ที่เราห่วงหรือเปล่าคะมันเกี่ยวกันไหมคะว่าแบบวิญญาณเราที่เขาบอกว่ามันเขายั ง, งวนเวียนอยู่รอบคนที่เขารักอันนี้ก็นนก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เราห่วงใครหรือเปล่าอ๋อถึงมแม้เราจะมีพุโทโธมันก็ยังจะกลับมาอยู่ดีใช่ไหมคะมอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดตัดแบบเหมือนแบบตัดที่เหมือนน้องๆ้องแจ๊ด จะแมตชจะตตี้มาสอนใช่ไหมแบบนั้นต้องแบบให้มันเห็นเป็นไตรลักษณ์ให้หมดอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ ะ, ใ, คะให้มันเห็นว่ไม่มีตัวตวนมันแค่ดินน้ำนมไฟค่ะค่ะจะพยายามครับว่าบททดสอบเมื่อวานนิยมแบบนั่งคุยกับสุรินทร์แบบด้วยความเป็นแม่นั้งสองคนก็แบบอ า, อารมณ์แม่นะอาจารย์ก็แ <laughs> บ ตอนนี้ดีแล้วนอนนี้ออกยางโรงพยาบาลแล้วนะยังค่ะยังค่ะยังอยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคุณหมอบอกว่าวันนี้จะต้องเอาเข้าไปทําเทสอีกประมาณสามเทสนะค่ะอืมแต่แต่คุณพ่อคือพ่อของลูกเขาไปแล้วค่ะแต่โยมตอนโยมว่าโยมตอนแรกโยมว่าจะบินไปดูแต่พเออนะถ้าพ่อเขาไปแล้วโยมก็โยมก็มีลูกคนเล็กอีกคนหนึ่งที่ต้องดูแลคะ่ะก็เลยงั้นถ้าพ่อเขาไปแล้วโยมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่พ่อเขาแล้วโยมก็ อยู่ห่างๆอย่างหวงหวงก็ภาวนาไปคิดให้มันเป็นบวกไปแล้วอะค่ะตอนเนี้ค่ะแต่<ด>ลูกก็บอกว่าได้คุยอะไทางโทรศัพท์ได้ไหมได้คุยค่ะได้คุยค่ะ<ม>ลูกก็บอกว่าไม่ไม่รู้สึกเจ็บหน้าอกแล้วดีขึ้นเยอะมากแล้วจากความเจ็บศูนย์ถึงสิบตอนนี้เขารู้สึกมันแค่หนึ่งเองอะไรเงี้ยค่ะอ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าขอให้เป็นอย่างที่คุณหมอบอกก็คือแค่อ<ม>ิๆๆนฟอร์เมชันเฉยๆอะคะ่ะอืม คือให้ยาลดลดอินฟอร์เมชันก็น่าจะดีขึ้นนะพวกสเตอรอยด์พวกอบูโพรฟนอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ า, น, าน่าจะเป็นจากตรงนั้นแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าคุณหมอบอกมันไม่น่าจะเป็นฮาร์ดแอแทเพราะว่าเขาอายุเพิ่งสิบแปดเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ <Okay. S 1> เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจคะ่ะพาอาจารย์ค่ะขอให้หายเร็วๆนะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะพาอาจารย์ขอพาอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะ โยมก็เลดโดยแม่กัต้อพูดโทรพูโดโทรบ่ายๆหน่อยค่ะโยมแม่ก็สติแตกไปหรือ่าตอนนี้ก็บอกลูกเหมือนกันค่ะว่าแบบเออให้พยายามฝึกพูดโทเหมือนกันลูกอะไรเงี้ยค่ะ ทํามวันนี้มีแต่เรื่ อ, องเขาคนเจ็บ่ายได้ป่วยใช่ค่ะพระอาจารย์ต<ะ>ั้งแต่ยงฟังมาหลายแ<ะ>บบหลายหลายลูกค้า ไ, ไม่ใช่ลูกค้าเขาเลายหลายแบบยาทร <c oughs> หลายเคส <c oughs> มันเป็นแบบคือเหมือนมันเป็นสิ้นปีะค่ะพระอาจารย์<ะ>ทําไมมันแบบว่ามันจะต้องเอาให้เสร็จแบบเอาทุกคนไม่ให้ความยุติธรรมกับทุกคน <c oughs> ว่าต้องป่วยให้ทุกคนก่อนสิ้นปีจะเคลบัญชีสิ้นปีส่งสัยค่ะพระอาจารย์ยงก็แบบอุ้ย ทำไมมันเป็นเงินทุกบ้านเลยแต่ก็ยังไงก็อยากขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงให้มันหมดสิ้นไปในปีนี้นะคะแล้วปีใหม่เราจะได้วิสุขภาพที่ดีดีจ้ะสาธ<า><า>ุาธค่ะอาจารย์ท่ า, น, ทา น, นแข็งแรงนะคะอย่าได้เจ็บด้วยป่วยตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะที่คุณดิศยาต่อ แต่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยคราวที่แล้วเลยนี่หายเป็นปกติเองน้มันสการคะ่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วคะ่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นคะ่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนคืออไข้ทุกเป็นไข้ทุกเดือนเลยคะ่ะพระอาจารย์อตอนนี้ก็ไม่ไม่ป่วยไม่ไม่เป็นไข้คะ่ะแล้วก็เมื่อก่อนก่อนจะไปทํางานคือนอนทั้งวันเลยคะ่ะมันเคลียหรือเดินก็เคลียใครใครก็ราคาญค่ะ ตอนนี้ก็คือไม่ไม่เป็นค่ะพระอาจารย์มันจะเริ่มมีแรงทางานเมื่อก่อนหนูไม่สามารถตื่นมาทางา น, น, นตาั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้วค่ะอืมค่ะกลับมาเป็นปนกติแล้วนะใช่ค่ะพระอาจารย์ดีใจค่ะออตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบกลับมาปฏิบัติค่ะนั่งสมาธิ แต่ว่า10 15นาทีนะคะพระอาจารย์เป็นอย่างน้อยค่ะจะได้มีแรงกําลังใจค่ะถ้าหลายก็ได้ขอให้ได้ทําไว้ก่อนก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันช่วยได้ค่ะคือแบบพอเวลาเข้าสมาธิไปแล้วมันสงบไปแล้วค่ะแล้วพอเริ่มออกมาเริ่มมีความคิดก็เรื่องราวต่างๆมันจะเข้ามาแล้วก็นึกไปว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้มีเรื่องราวต่างๆมันแค่ เราไม่ได้เป็นคนตรงนั้นด้วยซ้ําอะค่ะคือพอเราเข้าไปสู่ความสงบหนูก็ไม่ได้ชื่อดิษยใช่ค่ะหนูไม่หนูก็ลืมไปว่าหนูชื่อดิษยาหรือแบบเหมือนมันก็สงบอะค่ะพระอาจารย์พอมันเริ่มออกมันมีความคิดบอกอ้าวมันก็แค่เรื่องเหมือนมันเหมือนเรื่องปรุงแต่งไงไม่รู้อะค่ะพระอาจารย์แล้วพอเริ่มพยายามกลับเข้าไปใหม่พอออกมาแบบอยู่ๆมันก็ดันขึ้นมามันเหมือนแบบมันออกมาเองมันรับรู้กการความรู้สึกทางกายก็แบบ อา้าวเราไม่มีนี่นาแต่ว่าก็รู้สึกแค่ช่วงนั่งสมาธิแหละค่ะพระจาจพอออกไปกเ็เป็นคนเต็มที่เลยค่ะพอเราเริ่มคิดมันก็เหมือนคนต่งนิยายแล้วม<ร> า, าต่างนิยายเขียนนิยายต่อเราเป็นคนนั้นคนนั้นเป็นคนนี้อะไรไปว่าไปพอเราทําสมาธิมันก็หยุดคิดเรื่องราวต่างๆหายไปหมดใช่ค่ะก็สบายอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็อยากจะจําได้ตลอดเวลาแต่พอเข้าไปใช้ชีวิตมันก็ ลืมค่ะพระอาจารย์เราก็ไปอินกับเรื่องราวต่างๆ<อ>าค่ะพระอ า, าจารย์เราอเตืนใจว่าเราไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีตัวเราทุกอย่างเป็นแค่ดินน้ําลมไฟค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะโอเคไม่มีคําถามนะค่ะไม่เอ่มเอ ม, อ ม, มีมีดีกว่าค่ะพระาอาจารย์คื อ, อาาแต่ตอนอ ม, มีสองเรื่องค่ะ คือตอนตอนนี้เมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วก่อนก่อนหน้านี้ค่ะคือที่เคยถามพระอาเรื่องเหมือนจะเหมือนจะวูบใช่ไหมคะแต่ว่าหนูคิดว่าตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วค่ะมันไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยตรงที่ว่าหนูก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปตามมันหรือว่าดูเขาเฉยๆค่ะมันรับรู้เฉยๆแล้วพอพอตอนที่มันจะตกไปหนูก็แค่รับรู้เฉยๆมันก็เข้ามันก็สงบปกติค่ะมันก็หายไปเหมือนเหมือนไม่ไม่มีปัญหาอีกเรื่องนี้อีกเลยค่ะ ให้รู้เฉยๆไปใช่ค่ะแต่กว่าจะรู้เฉยๆมันมันก็แบบลองผิดลองถูกมาหลายวันค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะแล้แต่ว่าคือที่ที่ที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็สอนหนูเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องความกลัวค่ะพระอาจารย์ก่อนหน้านี้สักเจ็ดปีที่แล้วค่ะ ส, สมัยที่พระอาจารย์เคยธรรมะบนเทศธรรมะบนเขาอะค่ะพระอาจารย์ก็สอนจนหนูหายกลัวมาได้ค่ะพระอาจารย์อม แต่ว่าตอนเนี้ค่ะรู้สึกว่ า, าหลักๆที่หนูกลัวคือกลัวหนูยังกลัวคําพูดของคนอยู่เลยค่ะพระเจ้ายมันเหมือนถูกคุกคามตรงที่ว่าหนูมีเรื่องให้ตัดสินใจอย่างหนึ่งค่ะจริงๆแล้วถ้าด้วยเหตุและผลหนูสามารถทําได้มันได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าถ้าสมมติหนูไปบอกคนรอบข้างทุกคนจะต้องบอกว่าหนูจะต้องล้มเหลวมันต้องผิดมันต้องพลาดหนูก็เลยไม่ยังไม่ได้บอกใครอะไรมากค่ะแต่หนูยังเอาพูดตามตรงว่าหลายอาทิตย์ก่อนหนู อาเจียนทุกวันเลยค่ะเรากินข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มนั่งสมาธิมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะพระอาจารย์พยายามสอนใจว่ามันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูควรจะแบบทำยังไงกับเรื่องคาพูดของคนที่ทุกคนกำลังจะบอกว่าเราไม่ดีทั้งแล้วก็เราคาพูดที่เราไม่ชอบนี่มาม า, มาพูดในใจเราได้เลยค่ะค่ะพระอาจารย์เราไม่ชอบคาไหนเราคานั้นมนพูด มันฟังจนชินหูไปเลยมึงไม่ดีมึงไม่ดีคมึงเป็นดาบทองอะไรก็ว่าไปอืมไม่สําเร็จหรอกไม่สําเร็จหรอกแย่แน่ๆเลยแอบคำพวกนี้ก็เอามาพูดไปเลยคำพูดให้มันฟังจะให้มันมันก็เราจะได้รู้ไหครับเป็นอย่างไรแค่คําพูดเท่านั้นเองพียงแต่ว่าจิตเรามีปฏิกิริยากับคําพูดเหล่านี้เราไม่ชอบมันเราต้หัดทําใจฝึกใจให้มันชอบมันเหมือนคนที่ไม่เคยกินพริกอ่ แต่เมื่อน้องกินพร็กอยู่ทุกวันก็เอาเช้ ก, กินไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ชินกับการกินเพ็กแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนวเวลาต้องกินพล็กกิ น, นของเผ็ดค่ะพระอาจารย์ก็คือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นทั้งวันในเวลาไหนนึกได้ก็นึกไปเลยคําที่เราไม่ชอบนท่องมันไปในใจแทนพุโทโธไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้มันชินชาไปเลยให้มันจนทั่งมันรู้สึกเฉยๆกับมันไปเลยค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคำแนะนำพระอาจารย์ช่วยได้ค่ะอย่างบางคําของของคนอื่นๆ น, นะคะพระอาจารย์สอนหนูก็เอาเฉพาะบางคํานั้นนะคะมาพูดกับตัวเองพอคราวนี้มาเจออีกมันไม่เจ็บค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็มันก็มีโจทย์ใหม่ๆมาค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้คือถึงเวลาเจอของจริงเราก็ก็ปล่อยเข้าว่าไปแต่อย่างน้อยเราซ้อมไว้ก่อนนะเรามีภูมิป้องกันนะ อ่าเขาพูดไปอ่ะก็เหมือนกับมันก็ที่เราพูดเลยเราพูดทําไมมันเราไม่เดือดร้อนทำไมเขาพูดแล้วเราเดือดร้อนใช้ปัญญาวิเคราะหอยู่ไปไดม้มันก็เป็นคาพูดเดียวกันไม่ใช่ใช่ค่ะพระจอมันแค่เสียงกับความคิดกันเหมือนกันเราจำเป็นเพราะว่าเป็นคนนี้แล้วเราอยากจะให้เขาดีกับเราพูดดีกับเราบางก็ไม่พูดดีกับเราเราก็ เ, เสียใจหรือเปล่า อ่านี่เราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าแล้วเราไปสั่งเขาได้ไหมจะให้เขาพูดดีก็เราได้เปล่าแล้วก็สั่งเขไม่ได้งั้นฝนตกแดดออกเราไปสั่งมันได้เปล่าชอบไม่ชอบแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมฝนตกเราก็อยู่กับมันได้แดดออกเราก็อยู่กับมันได้นี่คำพูดของคนก็เหมือนกันใครก็ใช้พูดอะไรเรก็อยู่กับมันให้ได้ท่านเองอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคําพูด ควรเอามา า, า, ามาเอามาซ้ำไ้ก่อนซ้ำในใจเราไปก่อนให้มันชินชาไปเอาไปได้ยินคำพูดของเขาเออแล้วก็ฟังมาอยู่ตลาดเวลาแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยได้ค่ะพระอาจารย์ขอพระคุณค่ะกาลองดูเราเราคำพูดที่เราไม่ชอบมามาม า, มาพูดมาท่องเนี่ยท่องจําอยู่ในใจเราแล้วดูว่าใจเรารู้สึกยังไงกับคําพูดตหลนี้ ก็จริงค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะมันมันก็แค่หนึ่งคำพูดค่ะอ่ามันก็ปนปัญหาขึ้นมาได้ปัญหาอยู่ที่กิเลสเราความอยากของเราเราอยากไม่ให้เขาพูดนช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวหนูจะพิจารณามากกว่าเดิมค่ะพระอาจารย์แล้วจะห้ามเขาได้เปล่าห้ามเขาไม่ให้พูดได้เปล่าแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ มันก็เระเราห้ามฝนตกแดดเราไม่ได้แต่เราก็อยู่กับฝนตกแดดเราได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้อหนูลองพูดไปอ้าวมันก็เหมือนเป็นคําบริกรรมแต่พอเขามาพูดปุ๊บเราคิดว่าเขาเจตนาว่าอะไรอ้าวมันก็คนละเจมันคือคนละเรื่องกันมันกลายเป็นแบบอ๋อเราก็ไปอยากนู่นนี่อีกเอ้มันจริงๆมันก็แค่หนึ่งคำหนึ่งคำใช่ค่ะอาจารย์ ลืมอีกแล้วค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวจะ ต, ต้องสอบซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยๆค่ะมันกับเตรียมตัวทําข้อสอบนะที่พอถึงเวลาเข้า้อสอบแล้วจะได้ทำข้อสอบได้ลองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมันจะเป่งขึ้นมาเอง <c oughs> อ๋ออ๋อตอ <c oughs> นนี้มันยังไม่เป่งเดี๋ยวทําเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป่งขึ้นมาเองอ๋อละบ้าไปเอง <c oughs> ทำไมทำใจเฉยๆไม่ได้ทำไมต้องไปบุบบ้าไปกับเขาด้วยเขาพูดอะไรเป็นกันเล่าของเขาเราห้ามเขาได้ยังไงขอบะอาจารย์เราอาจจะต้องทำตัวว่ายอมแพ้แพ้เป็นพาชนะเป็นมารไปยอมแพ้ยอมให้เขาพูดยอมให้เขาด่าไปได้ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ให้ยามาสองตัวค่ะอยอมหยุดเย็น อยอมแพ้หยุดต่อต้านแล้วใจเราจะเย็นสบายลองทำดูลองคิดดูตเตรียมตัวไว้ก่อนขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ตาทัวค่าโอเคไอ้ที่คุณยิ น, ยนดีตายินดียินร้ายยินล้ายยินดี <c oughs> รู้วิร้ายค่ะท่านอาจารย์ อปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะท่านอาจารย์อยากรู้สึกเฉยๆว่าเจอเจ้ากรรมในเวเนี้เฉยค่ะมาคราวนี้มีความสุขค่ะท่านอาจารย์ไ ม, ม่ไม่ทุกข์เลยนะสบายวางได้เลยนะค่ะไม่ทุกข์ค่ะท่านอาจารย์มีความสุขค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่เป็นล่องโพล่องใสให้ค่ะท่านอาจารย์เด็กเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ส่งข้อความมาเหมือนเดิมค่ะโอเคขอบคุณเหมือนเดิม บ่อนซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ใช่ให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่กับรูปนานค่ะสาธุสาธุคุณสาธกาต่อสาธกาเป็นยังไงค่ะเลยๆค่ะอาจารย์ค่ะเราช่วยเขาขายเขาหรือเปล่าวันวันไม่ค่ะอยู่เต็นท์ห้องอยู่ข้างในเราไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกเดี๋ยวนี้แต่ลูกค้าก็จะถาม เอาคึกว่าแบบลูกป่วยหรือลูกเป็นอะไรหายไปอค่ะที่นั่งอย่างนี้เป็นที่นั่งที่ร้านเหรอก็คือที่ร้านมันแคบค่ะอาจารย์เป็นแคบๆอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยก็คือหน้าร้านที่ว่าแฟนขายของพอเวลาลูกจะเข้าซูมลูกก็ปิดร้านไว้แล้วก็ลูกก็ออกจากห้องมาประมาบเข้าซูมที่ตรงนี้ค่ะอืม่ค่ะ ตอนนี้ปิดร้านนะสองทุ่มไ้เท่ ว, ว, วันทวันทาวันพุ๊กก็ปิดไหวแต่เข้านะสดลูกค้าเขารู้เหรอคะโอ้รู้ไม่รู้ไม่สนใจลูกปิดลงเลยค่ะเอี<ะ>แ่แล้วแฟนหนูไป็นไงเนี่ะแปนเนี่ยวันนี้เขาไปดูบอลลูกก็คื อ, อลูกเป็นแล้วแต่ใครอยากทำอะไรฟีสไตล์ค่ะไม่ได้อะไรอยู่ นอกจากแบบ ม, มันไม่มีอะไรทําำแต่ <ไป S 1> <า>ถ้าเป็คือเขาพายก็า จ, จะอยู่เฝ้าร้านต่อถ้าไม่อ่ะค่ะก็เขาก็ะะะจะอยู่ประมาณส อ, องทุ่มสองทุ่มก็ปิดบางทีก็บางวันถ้าเขาอยากแบบไปไหนอย่างกินแต่ลูกไม่ค่อยชอบไปเที่ยวลูกชอบ อ, อยู่บ้านลูกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอืมแต่ถ้าสมมติว่าจะไปลูกจะแบบถ้ากินอย่างเงี้ย เขาชวนกินว่าเขาทํางานแล้วไม่อันนี้ก็คือไปกินแล้วก็กลับอืมเดินเลื่อเปลยนี้รูปไม่เดินไม่รู้จะถ้าไม่ได้ซื้ออะไรก็คือกลับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอาจารย์ค่ะดีค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอาจารย์ค่ะอ่ะคุณแอนตอคุณแอนตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านและอยู่เมืองนอกหลับน้มัสการใช่ค่ะ เพิ่งมาถึงญี่ปุ่นเมื่อวานค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบอสตันค่ะอืมกี่ชั่วโมงจากญี่ปุ่นนะเอ่อน่าจะประมาณสิบสองชั่วโมงเจ้าค่ะอ้าวค่ะ ไ, ไ, ไปทางไหนไปทางโคโนะเ น, นี่ย น, นะหนูไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูรูทเลยแต่ว่าก็ประมาณเนี้ยค่ะจะสิบสองชั่วโมงไม่ไม่ไม่แว่ไม่แวะที่ไหนเลยเนะี่ยไป่แวะเลยค่ะค่ะ ส่วนใหญ่มักจะบินข้ามพั่วโลกเนือไปไม่ใช่ไหมใช่ค่ะก็มันจะมีแล้วแต่เมืองที่ไปอย่างถ้าถ้าไปนิวยอร์กเขาก็จะบินผ่านทางยุโรปนะคะแต่ mm hmm. แต่ว่าถ้าไปบางทีบางทีก็ผ่านทาง阿拉สก้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เมืองที่บินไปแ ต, แต่ไม่จอดไ ม, ไม่จอดแต่ไม่ไม่จอดเลยค่ะ mm hmm. คือเหมือนแบบขาไปอาจจะไปยุโรปทางยุโรปแต่ว่าขากลับอาจจะบินผ่านทาง阿拉สกาลงมากลับมา mm hmm. เข้าญี่ปุ่นเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือแล้วแต่สลย แล้วแต่รูทของเขาอะคะอ่ะกี่ชั่วโมงว่าสิบสองชั่วโมงค่ะโดยประมาณค่ะค่ะแต่บางเมืองก็ถ้าไปนิยอร์ก็จะไกลขึ้นไปอีกหน่อยก็ประมาณสิบสิบสี่สิบสามสิบสี่ชั่วโมงะะอ่ะค่ะค่ะใช้เวลาผ่านไปเร็เวไหมเร็วค่ะโดยส่วนส่นว น, นเนี่ยเวลาทํางานทํางานเน่ยรู้สึกว่าพอมันพอมันตอนขึ้นรู้สึกมันจะรู้สึกจะคิดว่าอยากแลนแล้วแต่พอขึ้นไปสักพักเดียวเยก็เอ๊แป๊บเดียวก็แลนแล้วเพราะว่า ทำงานจริงๆมันบิน 14, สิบสี่สมุติบินสิบสองชั่วโมงจริงๆก็ทำแค่ตอนต้นไฟล์กับปลายไฟล์อะค่ะระหว่างไฟล์มันก็มีมีช่วงเวลาให้เราได้พักผ่อนอะคะ่ะผู้โดยสารเดินพักนอนด้วยไหนอนค่ะแต่ว่าบางไฟล์ถ้าเป็นเป็นเป็นไฟล์เดย์ไฟล์อย่างเงี้ยค่ะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นอนกันค่ะ <laughs> เดินเดินกันทั้งไฟล์เดินกันตลอดเวลาไม่รู้เดินไปไหน <laughs> เดินอยู่บนเครื่องเนี้ยค่ะก <laughs> ็อยู่เฉยไม่ได้จริงอยู่เฉยไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็น อ, อ พุดธสารฝรั่งจากแบบไฟอเมริกาค่ะแต่ยุโรปเนี้ยไม่ไม่นอนเลยถ้าเป็นเดย์ฟลาอยากให้นอนมากเลยนะ <c oughs> ไม่นอค <laughs> ่ะก็ดีค่ะมันหนูไม่ได้เข้าลงไม่ได้เข้ามาในซูมหลายหลายอาทิตย์เลยค่ะได้แต่ดูแต่ยู่ข้างนอกเพราะว่าเห็นเห็นมีมีมี <ผล S 1> คนเข้ามาเยอมากเลยช่วงนี้ค่ะแต่ก็ติดตามข้างนอกเมื่อวันก่อนหนูได้ไป ไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อคะ่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันดีมากเลยจ้าค่ะหลวงพ่อแบบว่าหลวงพ่อเทศประมาณยี่สิบสี่นาทีมั้งคะวันนั้นแล้วหลวงพ่อก็บอกว่ามีเวลาให้นั่งสมาธิอีกสามสิบหกนาทีแบบกลายเป็นว่าวันนั้นแบบรู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยคะ่ะนั่งแล้วสบายอยากไปอีกอยากให้มีอยากให้มีนั่งสักชั่วโมงหนึ่งดีจังต้องต้องต้องนั่งเอง จะ ไ, ไป ไ, ไปนั่งกับกับที่กุฏิกับมานั่งเองอืมไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันค่ะหลายทุกครั้งแล้วค่ะหนูสังเกตดูหลายครั้งแล้วสำหรับตัวหนูเองนะคะ<ม>ถ้าไปถ้าไปที่หน้ากุฏิรู้สึกมันเหมือนมันมีพลังใจอยากนั่งให้ได้อะไรเงี<ม>้ยค่ะมันมีสมาธิมันมนรู้สึกมีมีความฮพกเขิม <laughs> บอกไม่ถูก ม, มีเพื่อนมีเพื่อนนั่งด้วย มีเพื่อนนั่งด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแบบอ่ามี ม, มีพลังใจอ่ะค่ะมีกําลังใจดี<ม>อยากจะแบบทําให้ได้อะไรเงี้ยมันนั่งแล้วมันก็แบบว่า ง, า ง, างรู้สึกว่ารอบข้างมันสบายมันมีความรู้สึกแบบมีแต่พลังดีๆมั้งคะพอมานั่งเองแล้วแบบเดี๋ยวก็ง่วงแล้วหลับแล้ว<ม> <laughs> นั่งไว้ตั้งนานยังแบบเอ๊ะเพิ่งผ่านไปแค่ยี่สิบนาทีเองเหรออะไรเงี้ย<ม>ไม่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะแต่ก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อหนูทุกวันนี้หนูพยายามนั่ง นั่งให้ได้เกือบทุกวันเลยเจ้าค่ะอืแล้วก็ฝึกฝึกหนูหนูเจอจุดที่หนูคิดว่ามันมันช่วยได้ก็คือที่ ท, ที่หยุดคิดนะคะหลวงพ่อพยายามพอเวล า, านั่งสมาธิก็คือปล่อยทุกอย่างเลิกคิดแบบทําให้ทุกอย่างมันมันว่างเ น, นี้ยค่ะหนูว่ามันหนูว่าหนูหนูเจอจุดแต่ว่ายังยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่ารู้สึกว่าพอพอเริ่มฝึกฝึกหยุดคิดไปเรื่อยๆน่ะคะ่ะมันทําให้เราไม่ฟุ้ง ไม่ฟุง้งไม่จินตนาการได้ได้ได้ง่ายขึ้นค่ะพยายา ม, มไม่ไม่คิดช่วงช่วงที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิใช่ไหมใช่ค่ะหนูฝึกหนูฝึกตลอดค่ะเพราะว่าปุ๊กก็สมมุติพอเริ่มจะเริ่มไปคิดอปรุงแต่งอะไรปุ๊กก็หยุดคิดเลยบอกตัวงหยุดแล้วก็แบบว่าอเหมือนกับว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ามองแล้วก็จบไม่คิดอะไรเหมืนอนแค่แค่ให้รู้่าค่ะสักแต่ว่ารู้ไปค่ะหยุดได้งานไหม อืมคือไม่ไม่ไม่ได้นานทุกครั้งคะ่ะหลวงพ่อแต่มีมีมันมันเหมือนเป็นจะว่าเป็นอัตโนมัติก็ได้ก็คือพอเริ่มจะคิดปุ๊บเราบอกอุ้มไม่คิดพออ่าแค่แค่ใช่ค่ะอยู่ไปพักหนึ่ง<อ>ใช่ค่ะแต่ก็จะดึงมาได้แบบอ้มหยุดคิดแล้วก็มีพุโทโธด้วยค่ะจะมีอยู่สองอย่างก็คือพุโทโธก็ขึ้นมาแล้วก็พอพุโทโธปุ๊บก็บอกโอเคเมื่อกี้เราคิดไปเราไม่คิดละเผลอเผลอคิดไปแล้วก็พยายามหยุดคิด ให้ hey, มันได้ไ ด, ได้บ่อยขึ้นค่ะเหมือนกับเริ่มจะอัตโนมัตินะแต่ก็ยังยังบางเรื่องถ้าถ้าทําไม่ได้มันก็จะคิดไปได้สักพักหนึ่งแล้วเราถึงจะดึงกลับมาได้ะคะ่ะเวลาโมโหอะไรเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการโมโหะคะ่ะที่มันจะดึงยากหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เหมือนแค่เห็นมองคุณ น, นั้นคืณนี้แล้วก็เหมือนเราเผลอไปคิดใช่ค่ะแล้วก็เออไม่ไม่เราก็จะหยุดหยุดแล้วก็กลับมา ให้มันว่างค่ะทำทำทำทำใจให้มันว่างทําสมองให้มันว่างอะค่ะโกรธต้องใช้ความเมตตาแก้ก็ได้โกรธนี่ให้ภให้อภัยโกรธนี่ยังทําทําได้แต่ใช้เวลาค่ะหลวงพ่อมันมันบางทีมันมันคิดวนไปวนไปอยู่จนแบบแต่ก็ก็ก็ก็้มใคร่ยั่งคนที่เสียหายก็คือเราคนที่โกรธเสียหายคนที่ถูกโกรธเขาไม่รู้เรื่องใช่ค่ะบางทีหนูก็ พอเวลาเรื่องโกรธเนี่ยรู้สึกมันเป็นเรื่องที่รู้สึกละอายใจเวลาเราเราโมโหใครเราสึกว่าโอ้สุดท้า ย, cott, ส, ายสุดท้ายก็อย่างที่หลวงพ่อพูดเลยค่ะแบบว่าเขาเขาเดินจนไปไหนถึงไหนแล้วเรายัางวิ่งตาม<ง>เอา ใ, ใจไปโกรธเขาอยู่เขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเรื่องโกรธแต่ว่าถ้าเรื่องปรุงแต่งไล่สาระเนี่ยหยุดหยุดได้ไวค่ะแบบว่าไปคิดทําไมอะไรเง hmm. <ๆ>ี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเลยอะไรเงี้ยอะ พอมามันสมาธิก็เลยเอาเอาตรงนี้ค่ะเอาเอาเอาวิธีการหยุดคิดมานั่งให้ให้ให้ตัวเองรู้สึกเงียบเงียบสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยดูที่ลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆหายใจเบาๆช้าๆแล้วก็ทำให้สมองมันว่างอะค่ะช่วยกับค่ะหาวิธีไปเรื่อยค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นช่วงทำกันบ้านนะคะฝึกทดลองไหมเนี่ ลองเพดลองถูกนี่ค่ะเตรียมตัวไว้เหมือนกันเผื่ออีกสามปีที่บอกว่าพอถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วถ้าได้ถ้าต้องต้องมาปฏิบัติตัวอยากอยากแบบอยากมีวิธีที่มันมันเห็นผลนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าวิธีนี้รู้สึกว่ามันมันมันดีกับตัวเองฝึกฝึกจิตใจไปการอยู่กับคนในในโลกมันยังวุ่นวายะค่ะหลวพ่ออ่ามันต้อง ต้องประคองตัวเองประคองความคิดตัวเองตลอดเวลาเลยค่ะอดีค่ะโอเคค่ะ ต, ต่อไปนะจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อได้ได้คําสอนจากหลวงพ่อเนี่ยนะคะช่วยให้หนูมีมีสติในทุกวัอย่าทําให้น้อยลงพยายามทําให้มากขึ้นถ้าอย่างน้อก็ทำเท่าให้เท่าเดิมค่ ะ, คะตอนนี้ก็ก็มีความ อ, อมีความตั้งใจค่ะก็พยายามนั่งนั่งให้ได้ทุกวันถึงต่อให้วันไหนง่วง แ, แล้วรู้ตัวว่านั่งได้แค่สิบยี่สิบนาทีก็ก็จะจะพยายามนั่งค่ะหลวงพ่ อ, อก็รู้สึกรู้สึกมันละอายถ้าไม่ได้นั่งเงี้ยค่ะค่ะโอเคอสาธุขอบคุณเจ้าค่ะอ่าไปที่คุณมาเลเต่อเป็นมาเลเซียมาเลเงียงนั่นทุกวันทํา ง, งานไ ป, ไปที่ทังไปที่ทํางานก็ไปนั่งก่อนนะใช่ไหมหค่ะหลวงพ่อค่ะ อะไรนะคะหลวงพ่อเวลาไปทํางานที่ทํางานก็ก่อนจะทํางานก็ไปนั่งก่อนใช่ไ้มขึ้นขึ้นไปห้องพักที่บอยสัตว์ก่อนค่ะอก็จะไปเจอที่ที่หนึ่งนะคะที่ไปกลับหลวงพ่อมีคนไปนั่งเยอะไหมมีคนไปนั่งเยอะไหมก็มีหลายหลายคนอยู่ค่ะก็จะสลับใคร ใครมาก่อนก็เข้าไปก่อนนะคะหลวงพ่อไม่ทราบไมีสักกี่คนนี่ทรกี่คนแต่คํา้งรนะคะหลวงพ่อหนูจะได้ยินเลยมีคนนั่งสักกี่คนก็ประมาณที่หนูเห็นนะประมาณห้าสี่ห้าคนค่ะแต่ว่าแต่ว่าช่วงที่หนูลงไปแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าครั้มแต่ทุงครังที่หนูไปนั่งหนูจะเจอรักสี่ห้าคนนะประมาณประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดีนะ ขาประจำค่ะหลวงพ่อแล้วบริษัทมีคนงานทั้งหมดเท่าไหร่พนักงานประมาณประมาณเกือพันะคะหลวงพ่อเกือพันในตึกนี้นะที่ทํางานเนี่ยนะทั้งทั้งสาขาด้วยค่ะในในตึกนี้ประมาณประมาณแปดแปดร้อยแอแต่นั่งแค่ห้าคนหนูหนูเห็นประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาแต่ละคนมันไม่ไม่ตรงกันนะคะหลวงพ่ออ่าใช่ ค่ะถึงมท่านีครับพูดงนคนคนจลาดเหมือนเขาอคนโง่เหมือนคนวัวอ๋อมีมันน้อยคนมันเยอะกว่าคหลวงพ่อคนส่ใหญ่ไปนั่งเปิดโน้ตเสื้อดูกันเสื้อเสื้อมากกว่าที่มานั่งสมาธิกันนะเขามีเวลาว่างเขาตรวจโน้ตือดูกันค่ะหลวงพ่อเพราะว่า นย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างตอนเช้าอะหนูก็จะไปถวายทานก่อนค่ะหลวงพ่อไปใส่บาตรก่อนประมาณหกโมครึ่งเสร็จก็ขึ้นไปเตรียมอาหารไว้ไปชานที่ไห น, ไ, หนไปไปที่ตลาดใช่ไหมแพอดีทางที่วัดยานทางที่วัดยานท่านอะเดินเดินมาบินทบาทผ่านหลังบริษัทอะค่ะหลวงพ่อวัดานไหนวัดยานตรงตรงบางรักอะค่ะวัดวัดยานวัดยานนาวาใช่ค่ะ ท่านจะบินบินมาผ่านหลังบริษัทธนาคาห ล, งลวงก็มีมีแม่ค้าขายขายของบริษ<ม>ัทนี้มีร้านร้านข้าวของบริษัทนะคะเขาก็มาทําอาหารขายอยู่ชั้นเจ็ดนะคะหลวงพ่อก็ไปซื้อหรือไม่ก็มีร้านรอบๆบบริษัทเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อที่เขามาขายแต่เช้าแล้วก็เราไปใส่มานที่ที่ชั้นล่างใช่ค่ะชั้นชั้นหนึ่งนะคะก็ ใส่าเสร็จก็หนูก็เตรียมท่าของเสร็จก็ขึ้นไปข้างบนถ้าไม่มีอะไรด่วนแต่ส่วนมากก็จะขึ้นเกิดทุกวันนะคะมีพระเดินเยอะไหมเดินเป็นบานเยอะไหมพระพระก็ถ้ า, ถ, าถ้าของทางหลังบริษัทน่ะก็จะมีสามรูปแล้วก็ข้างหน้าบริษัทก็ประมาณสามรูปประมาณหกลูปอะคะ่ะแต่ว่าวัดจาย์ท่านแบ่งไปหลายสายนียคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ต้องดูเวลาที่ท่านมาเน่ยนะ ใช่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่จะไปไปดักรอเพราะว่าออกจากบ้านนี่ก็ประมาณประมาณตีห้าครึ่งไปถึงบริษัทก่อนหกโมงแล้วก็ไปเตรียมค่ะหลวงพ่อเตรียมบาทุกวันเลยถ้าไปทํางานนี่ได้ใส่บาตรทุกวันเลยใส่ทุกวันไม่ไม่ได้ขาดเลยค่ะหลวงพ่อใช่ค่ะหลวงพ่อได้ทาให้ครบชุดเลยทามจริยธรรมนาข่าหลวงพ่อพอถวายท้าเสจ็จก็ขึ้น ไปห้องพัาปฏิบัติเสร็จแล้วก็ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงค่ะหลวงพ่อและเย็นกลับมาบ้านก็มาต่อมาต่อ ท, ที่ที่บ้านค่ะหลวงพ่อก็ดึกดึกเกือบทุกวันนะคะ 4, 5, สี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแล้วแต่ค่ะหลวงพ่อว่าจะเลิกตอนไหนค่ะหลวงพ่อไม่ได้หยุไม่ได้หยุดเลย่ะคะ่ะหลวงพ่อเนี่ยถามจิตใจลราอย็นเป็นมเซเว จิตใจสบายสบายดีค่ะหลวงพ่อไม่ไม่เอาอะไรเข้ามามาขังเอาไว้ในใจแล้วมองอะไรก็ให้มันเหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงไปค่ะหลวงพ่อมองมองให้มันเหมือนแบบว่าให้มันเห็นธรรมชาติของเขาอ่ะค่ะหลวงพ่อมันมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะค่ะหลวงพ่อไม่เองไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างแต่ก่อนที่หนูเรียนหลวงพ่อว่ามันทุกทุกเรื่องลูกก็มองว่าอะ เป็นกรรมของเขาแล้วกรรมของเราแต่เรามีหน้าที่ดูแลเขาไปอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พ อ, อ ม, มันก็มันก็เบาไปเรื่อยๆเยบาไม่นัไม่แบกมันเมื่อก่อนนี่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็พอพอทาใจแบบ น, นี้ได้มันก็อะไรอะไรมันก็ดีดีไปอะค่ะหลวงพ่ อ, พ อ, อแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ไปทํางานอีกวันหนึงวันสุดเป็นวันดุดใช่ป่ะคะหนูพรุ่งนี้หนูก็ ก, กลับไปนครนายกหนูก็ไปขึ้นบุตริติส่วนตัวที่บ้านของ ต่ อ, อไปมันดูให้มันเป็นเลน้ํำลงไฟหมดเลยค่ะหลวงพ่อร่างการทุกคนนี้เป็นแค่เลนน้ําำลงไฟนะเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนค่ะหลวงพอ่อแล้วสง พ, อ พ, อพอ่อเขามีมีหลายคนมาทักหนูอ่ะทําทไมทําไมปล่อยหัวขาวไว้มดเลยแบบไม่ไม่คิดจะย้อมผมเลยเหรออะไรเงี้ยเขาบอก เสียดายทำไมไม่แต่งตัวสวยๆวยเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะสวยใจดีกว่าตอนนี้อยากจะสวยใจอย่างเดียวหนู ก, ก็บอกว่าหนูปล่อยปล่อยแล้วค่ะไม่ไม่สนใจไม่มีภาระไม่ต้องผมอะไรเงี้ยแล้วท่าหลวงอือนี่แต่ค น, คนมาทักทั่งหมดเลยค่ะหลวงพ่อเขาไม่เข้าใจเขายัางยึดติดกับการเปิดตัวเขาอยู่ก็ ไปตามไว้ด้วยค่ะหลวงพ่ออะไรมันก็ห้ามไม่ได้พขถึงเวลาเขาจะเขาจะแก่ก็ต้องแก่เขาจะหงอกจะเขาจะอะไรก็ต้องต้องปล่อยอะค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันมันจริงมันก็ไม่น่าเกลียดตรไหนผมขามันก็สวยดีเหมือนกันหนูหนูเห็นคุณหลาหนูยังชอบเลยค่ะของคุณหลาค่ะอะ <laughs> ดีดีโอเคได้ น้องชายหนูเขาก็เริ่มพขาเห็นหนูปล่อยผมข่ะเขาบอกเขาก็ปล่อยขาวเหมือนกั น, นก็<ม>เหมือน ต, ตามๆกันมาค่ะหลวงพ่อแล้วก็นั่งนั่งสมาธิเขาก็พยายามปฏิบัติค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อมาฟังค่ะหลวงพ่ออย่าดีจ้ะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะค่ะขอบขอบทุกคนหลวงพ่อมากมากค่ะ yeah, uh. ออ้ที่คุณคุณที่คุณคุณแปมต่อคุณแปมน้องกล่าวนามัจการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหเออไม่ได้เข้ามาห้องซูมนานรายงานนิดนึงเจ้าค่ะที่ที่ไปปฏิบัติธรรมบนเขาชีโอนเมื่อเมื่อเดือนตุลาค่ะไม่ได้เข้าห้องซูมนานเลยไม่ได้รายงานอ่ามีอะไรหรือเปล่า ครั้งนี้ลูกไปเป็นครั้งที่สามเจ้าค่ะลูกกล้ากล้าลงมาเดินตามทางเดินตอนกลางคืนแล้วเจ้าค่ ะ, ะไม่มีอะืรน่ากลัวเจ้าค่ะ <Yeah. S 1> ก็ก็เดินเรื่อยๆเดินพยายามไม่เหยียบสัตว์แค่นั้นเจ้าค่ะ mm hmm. ก็ก็มีกลัวแต่ก็ก็สู้เจ้าค่ะก็ ก็ก็ทําได้มีมีไฟตามทางเดินเมื่อไหร่เราต้องใช้ไฟฉายใช้ไฟฉายเจ้าค่ะไฟทางเดินมีเจ้าค่ะแต่ว่ามองไม่เห็นมาแรงดูเล็กเจ้าค่ะก็พยายามไม่ไม่เดินเหยียบเขา่เจ้าค่ะอืก็ลูกไปไม่มีคนอยู่นะเจ้าค่ะอตามกุฏิอื่นตามเรือนอื่นแต่ว่าเขาไม่เปิดไฟเลยลูกตอนแรกลูกคิดว่าเอ๊ะไม่มีคนแต่พอเช้ามามีรถจอดนี ถามคนมาส่งอาหารก็พอมีคนมันใหญ่ก็มาภาวนากันเวลาภาวนาก็ไม่ต้องเปิดไฟเจ้าค่ะแต่ของลูกก็ยังภาวนาไม่ได้เต็มที่ก็มีมีมานั่งเขียนหนังสือธรรมะ ข, ของพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่า mm hmm. มันเดินจงกรมแล้วมันมันมันมันมันไม่สงบก็เลยต้องมานั่งอาา่านหนังสือแล้วก็เขียนแล้วก็มานั่งสมาธิต่อเจ้าค่ะ mm hmm. ก็ก็มีนั่งสมาธิเขียนหนังสือแล้วก็เดินจงกรมเจ้าค่ะตีสี่ลูกก็ตื่นตื่นมาเดินจงกรมเจ้าค่ะนอนน้อยไปครั้งนี้นอนน้อยได้เจ้าค่ะแล้วสงบบ้างไหมสงบเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําสมาธิช่วงนี้ค่ะไปไปครั้งนี้ก็เลยมีมีนั่งหลับอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะ ก็ต้องพยายามฝึกเสถมยรมากๆขึ้นจ้าค่ะช่วงนี้ช่วงนี้มีภรระาะต้องเลี้ยงหลานเลยต้องทํางานเยอะขึ้นเจ้าค่ะออกขายของกลางคืนกับลูกสาวก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําสมาธิเจ้าค่ะอืมไปขายที่ไหนนะน อ, อ, อยากอันนี้อันนี้เป็นมีความอยากถามพระอาจารย์นานแล้วเจ้าค่ะลูกขายของเป็นรถซาลิงเจ้าค่ะเป็นไขา อาขายลูกขิ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมขายหมึกแห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขายก็คือเหมือนมันก็ผิดกฎหมายเจ้าค่ะเพราะว่าเทศกิจเขาจับลูกก็ข้องเคยถามพระอาจารย์อยู่ว่ามันบาปไหมเจ้าค่ะเราก็ไม่ได้บอกขโมยของของใครเราเพียงแต่ทําผิดกฎระเบียดเองมันก็จะว่าบาปมันก็บาปเล็กๆน้อยๆเจ้าค่ะคือเราว่าไม่ไม่ได้เป็นรักษาความ ความเราเป็นระเบียบเรียบร้อยก็แล้วเราต้องไปทําอาหารกินของเราบางังเลยมันก็เลยอาจจะผิดกฎระเบียบบ้างเจ้าค่ะแต่ก็ไมเหมือนกับไปขโมยของเขาหรือไปไปทําร้ายผู้อื่นเราไม่ได้ทํานบาปแบบนั้นเจ้าค่ะลูกเอ่อเรื่องเรื่องขโมยเรื่องอะไรนี้ลูกลูกรักษาไว้ดีมากเจ้าค่ะเว<ม>ลาจะพูดอะไรลูกก็คิดกลัวมากเจ้าค่ะกลัวจะพูด<ม>ไป<ม>ไในแบบ ที่โกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องเงินเหมือนกันเจ้าค่ะก็ถ้าเขาจับเราได้เขาเขาปรับเราหรือเงล่ะปรับเจ้าค่ะปรับปรับไม่เยอะเจ้าค่ะปรับ500ห้าร้อยเจ้าค่ะแต่เขาก็มีขู่บอกว่าไม่ให้มาขายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจับได้ก็จะปรับสองพันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมก็ยังก็ยังไปขายอยู่เหมือนเดิมก็ยังไปขายเค ย, ย, ยเช่าที่นะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เช่าที่มัน มันมันมันขายสู้ขายแบบนี้ไม่ได้เจ้าค่ะมันมันอยู่ไม่ได้มันขายไม่ดีเหมือนขายแบบนี้นแบบนี้มันเล่ยไปเรื่อยๆเล่ยเจ้าค่ะเล่ย<ม>ไปเรื่อย ๆ, ๆเจ้าค่ะอือก็อย่างว่านะเรื่องธมาเกณนมันก็ต้องดิล้ลรนกันไปเจ้าค่ะค่ะ ถ, ถ้าไม่ขายของแบบนี้ก็ใกลรายร า, ายได้ไม่พอกอร็รายจ่ายเจ้าค่ะอือ เขาคงจะเห็นใจแล้วหรอกนะเขาคงจะไม่ตามจับตลอราวลาโอเคนะถ้ายังต้องทำก็ทำไปถ้าถ้าไม่ทำได้ดีก็ดีไปพยายามหาที่ลงขายเสียค่าเช่าอยู่เจ้าค่ะ คือเขาไม่ให้เราจอดใช่มเวลาเราขับรถขายของไปเนี่ยหรือเราไปจอดที่ที่เขาอนุญาตให้จอดที่ตรที่เขาไม่อนุญาตเราก็จอดไม่ได้เจ้าค <c oughs> ่ะแต่ที่เ้าให้จอดมันไม่มีคนซื้อไอที่มีคนซื้อมันเป็นที่เขาไม่ให้จอด <c oughs> <c oughs> อถือว่าเป็นเวรกรรมไปก็แล้วกันเพื่อจะว่าไงนะฮัลโหลได้ยินไหม รู้สึกเสียงจะหายไปแล้วอันนี้ภาพเิ่งนะล้วไปก่อนนะไปที่คุ ณ, คณปราบอะไรเชิญปาัอะไรากลันมัศการเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเ ค, คไปที่คุณหมอลูกเรียนเชิญคุณหมอลูกเรียนน้ำมัสการครับพระอาจารย์ครับเป็นยังไง ก็ปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์ mm hmm. ผมสัปดาห์นี้ผมก็ใช้วิธีว่าให้เหมือนที่พระอาจารย์สอนครับให้เข้าถึงความสุขให้ได้ก่อนความสุขสงบนะครับ mm hmm. พอตื่นเช้ามาก็พุทโธพุทโธไปแล้วก็เพื่อให้ใจเนี่ยสุขสงบ ก, ก่อนวันนั้นก็จะไปได้ทั้งวันอย่างดีครับ mm hmm. แล้วก็จเจริญสติทั้งวันกับพระอาจารย์ mm hmm. ส่วนนั่งสมาธิก็นั่งนั่งเพิ่มขึ้นกับพระอาจารย์ว่างเมื่อไหร่ก็นั่งเหมือนเดิมครับ ก็เข้าถึงความสงบง่ายขึ้นครับพระอาจารย์แล้วก็มีสติมากขึ้นครับผมมีคําถามครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับเวลาเรามีคนไข้เนี่ยคนไข้เป็นจิตเวอ่ะนะครับที่เขาปกติโรคจิตเวทเนี่ยมันคือสารในสมองผิดปกติสารในสมองเราผิดปกตินะครับพระอาจารย์คนไข้พวกนี้ที่พระอาจารย์สอนว่าจิตกับกายอ่ะครับจริงๆเขา ไอ้ตัวจิตเขาเนี่ยมันมันแยกจากกายไม่ได้เลยถูกไหมครับผู้อาวุโสเวลาเขาก็เหมือนเขาก็ไม่รู้เรื่องแม่อะไรเลยอะครับเวลาเราจะคุยกับเขาอะไรเนี่ยก็ต้องรักษาโดยให้ให้กินยาก่อนหรือบางคนก็ต้องช็อตไฟฟ้าต้องอะไรก่อนอะนะครับจนกว่าเขาจะกลับมาเป็นคนปกติครับผมเลยว่าไอ้คนจริงๆเขาป่วยทางทางกายหรือป่วยทางจิตกันแน่มาได้ย่าป่วยทางกายนะครับผู้อาวุโสเราก็ไม่แน่ใจนแต่สำหรับเราเร า, เราคิว่มันต้องป่วยทางจิตมากกว่า เพื่อทางจิตมากกว่าแล้วครับว่าสติไม่มีครับไม่มีสติไม่มีสติถ้าถ้าเขได้สติกลับมาเขาก็จะเป็นปกติแต่จริงๆเขาจะได้สติเขาต้องรักษาทางยาด้วยครับพระอาจารย์ทางยาจะมีส่วนกระตุ้นให้ให้ได้สติกลับคืนมาก็ได้ครับครับเล่คาถามหนึ่งครับพระอาจารย์แล้วถ้าคนไข้ที่เขาโคม่าไปอย่างเงี้ยครับตัวจิตเขายังยังอยู่ไหมครับพระอาจารย์โตหมดสติไปเขาจะ ถึงแก่ชีวิตหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ดิก้กอะไรไม่ได้เงี้ยนะครับพระอาจารย์ถ้าร่างกายยังไม่ตายเขาตัวจิตก็ยังยังยังเชื่อมต่ออยู่กับร่างกายอยู่ครับแล้วตัวจิตเขาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์เขารับรู้อะไรไหมครับก็แล้วแต่เขามีสติหรือเปล่าเนี่ยแต่พอมีสติแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรผ่านทางร่างกายได้รักษาไม่มีสติครับพระอาจารย์คือโคม่าไปแล้วครับไม่รับรู้เลยกหมือนอนับก็เหมือนนอนหลับไปก็เหมือนนอนหลับไปอืมครับ มันก็จริงๆมันก็ไม่คล้ายๆเหมือนกับเวลาอย่างผมถ้าเวลาผมจเจริญสติกับนั่งสมาธินะครับพระอาจารย์มันก็จะรู้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันคนละส่วนกันมันจะแยกออกมาเป็นความเป็นตัวรู้อ่ะนะครับพระอาจารย์แล้วก็นิ่งๆงอยู่เป็นสุขสงบแต่ถ้าเกิดเราเราเผลอไผลไปเราเราทํานู่นทํานี่ไปคุยไปอะไรไปทุกอย่างมันก็เหมือนกับเราเราถลหลไปอยู่จิตกับร่างกายมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยถูกไหมครับพระอาจารย์ใช่โอ้ ก็คือไปรวมกันเลยนะครับพระอาจารย์ก็ก right? no. like, uh, like, um, ็เราทำอะไรทําไปกับร่างกายด้วยมันก็เลยเหมือนกับเจกี่กับรางกายเยเป็นเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันไปครับแต่จริงมันเป็นสองสองอันด้วยกันแต่มาทํางานอันเดียวกันครับเพราะว่าสมัยก่อนที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิมากๆหรือว่าฝึกสติมากๆแบบนี้นะครับพระอาจารย์ที่ไม่ได้ทําเนี่ย มันก็รู้สึกว่ามันเป็ น, ปนอันอหนึ่งอันเดียวกันไปเลยนะครับ พ, พระอาจารย์เพราะว่าไม่มีใครสอนเนี่ยนี้พอเราได้เรียนรู้ว่าไปอ่านกันนี้แล้วก็เริ่มมองในมุมมองหนึง่งโอ้อครับปพราะทุกวันนี้เราปฏิบัติมากๆเราเข้าใจเราก็ยิงรู้สึกเอ้ยมันแยกกันคนละส่วนเลยชัดเจนเราจับเราจับต้องจิตใจเราได้นะครับใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเราดูว่าเสกไว้ร่างกายกับใจนี้มันแยกกันไปครับครับหรือตอนที่เรามีสติ ชัดเจนะนะครับพระอาจารย์อ๋อ oh, ผมเข้าใจแล้วครับดังนั้นที่คนที่เขาไม่สบายจิตเวทเนี่ยเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเราตอนไ ม, มตไม่มีสติครับก็คือมันมันไปกับร่างกายหมดเลยครับอื ม, มันไปกับร่างกายหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันร่างกายมันเขาเขาแยกออกมาไม่ได้นั่นเองครับครับเข้าใจแล้วครับแต่ก่อนมึก็เป็นตร ง, งป่วยตรงไหนอย่างภาษาทางแพทย์เนี่ยก็เรียกว่าป่วยทาง เป็นสารสื่อสมองในร่ากายเป็นสมองนะครับเหมือนอย่างสมองเนี่ยฝั่งซ้ายไปสั่งสั่งขวาสั่งขวามาสั่งสั่งซ้ายใช่ไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นอุดตันตรงไหนหรือเสียตรงไหนเนี่ยมันก็สั่งไม่ได้สั่งไมแต่งครับแต่งจริงแต่งจริงคนสั่งคนสั่งเป็นจิตไงจิตเป็นสั่งเป็นจิตแต่ร่างกายเป็นเสียอ่าร่างกายไม่สามารถตอบสนองคําสั่งของของจิตได้ครับครับครับแล้วถ้าอย่าง เวลาเป็นอำเภอกรรมพราชนงให้ขยับแขนนั่นก็มันก็ไม่มีอตัวไปสั่งมันอีกทีมันไม่มีสั่งมันครับหรือย่างคนสั่งจะสั่งให้พูดไปโดนจุดพูดก็พูดไม่ได้อืมก็พูดไม่ได้อแต่จริงๆจิตมันอยู่แต่ว่าพวกคนเหล่านี้เขาจะไม่เคยฝึกมาเขาก็ไม่รู้ว่าจิตกับร่างกายมันคนละส่วนกันใช่เหมือนคนขับไปตอนรถยนต์นี้ครับรถไปบางทีเบรคเสียเหยียบแล้วมันรถไม่หยุดอย่างนี้ ครับไม่ใช่คนขับไม่ไม่หยุดนะคนขับหยุดแต่ ร, รถมันไม่ยอมโบกหยุดตามคําสั่งของคนขับับพร<อ>าะอย่างมั้นเสียครับก็เหมือนกันสมองนี่ทําหน้าที่คอยเปสคอยสั่งให้อำนัลกายขับถ้าขับเคลื่อนไปในในในระยียบทต่างๆครับแต่สมองนี่รอคําสั่งจากจิตอีกทีว่าจะสั่งให้ลุถขึ้นยืนหรือสั่งให้เดินหรือสั่งให้นั่งเนี้ยอันนี้จิตเป็นผู้สั่งแล้วส แล้วสมองก็มารับคําสั่งนี้มามาประสานกับขาแข้งให้มันทตามคําสั่งทุกนะครั บ, นะรบใช่แล้วครับอาจารย์ดังนั้นผมว่าก็ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าแม้กระทั่งโตเราเองแต่ก่อนกับตอนนี้ก็ยังแต่ก่อนเราก็อ๋จริงๆคือเราไม่มีสติอเลยในอดีตที่ผ่านมาเราก็ทําด้วยความรู้สึกนึกคิดทําด้วยอารมณ์ทำด้วยตอบโต้กันไปอย่างนั้นแหละนะครับทํด้วยความรู้สึกความเข้าใจว่าเรากำ่างกลายเป็นคนเดียวกันนะใช่ใช่ครับสมัยก่อนก็คิดว่าเป็นอันเดียวกันเพราะตอนหลังถึงยอม ออมานั่งมากขึ้นเรื่อยๆถึงรู้ว่าเป็นคนละส่วนกันนะ <Ừ. S 1> แต่ว่าพอตอนรู้ว่าเป็นคนละส่วนเนี่ยมันกลับมีความสุขคนละแบบครับ <S <S อ า, าจารย์ไม่เหมือนกับแบบแบบที่มันแบบนั้นนะครับ <Ừ. S 1> อย่างนี้จะความสุขอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นความสุขแบบสงบส ง, บ ส, งบสุขสงบครับใช่จใจสงบเป็น<ม>ความสุขกายวางร่างกายได้ครับครับครับและที่ผมแบบไม่อยากไป ส, งสังสรรค์กับเพื่อนไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปแล้วทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยชอบมากเลยครับ อ, นนอย่างนี้ เป็นพรความสงบที่เราได้ความสุขที่เราได้อยากความสงบมันดีกว่าครับเหมือนอย่างแต่ก่อนถ้ามีงานต่างๆตอนเย็นเนี่ยก็จะจะจะไปอ่ะนะครับใช่เพราะตอนนั้นเราไม่มีความสุขในตัวเราเลยเราต้องออกไปหาความสุขข้างนอกครับก็เป็นความสุขในตัวเราความสุขในจิตที่ดีกว่าความสุขข้างนอกเราขี้เจียไปไม่อยากไปเลยครับไม่อยากไปขี้เกียจก็อยากจะมาอสวดมนต์กล้ดีกว่าครับสวดมนต์หรือว่าพุทโธหรือว่าหายใจเรื่อเรื่อยาวๆแล้วก็ ให้ใจสงบนะครับพระอาจารย์ ด, ด้วยอยู่บางคนเดียวงนี้ก็มีความสแล้วครับพระอาจารย์อยู่อยู่ฟังพระอาจารย์ไปก็ก็สุกก็สงบครับผมฟังไปก็ทําสมาธิไปหรือว่าเจริญสติไปก็สงบครับพระอาจารย์ใช่ความสุขแบบนี้พระเจ้าบอกเลครับสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงครับพระอาจารย์ครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ผมจะปฏิบัติเพิ่มข um> ึ้นเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์สาธุระอาจารูครับพระอาจารย์อาจารย์พรมไม่ไรคือนี้รอนานหน่อยนะ เห็นโดดไปหลายทัางอลยเห็นคิวเรื่องออกมาเลื่อยอนุสการค่ะอุณอนุกูลก็ได้ดีทายไปเมื่อสันคืนค่ะรอรออยู่ว่ะวันนี้ได้คิวซะเอาลุ้มมาแล้วค่ะยังไหวอยู่่ะกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้กล่าวเป็นไงสบายดีอารย์ครม หลังเบี่ยงไปครัิทีหนึ่งครัก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปตีกรอบเลยตีกรอบกลับมาทิกตอกยาวเกินไปหลังเบี้ยงอึ้น่านอนขยับท่าไม่ดีครับอืมปิดท่าหลังเบี้ยงไปตั้งแต่คืนวันเสาร์นะยังเดินได้ยังทำอะไรได้ยังยังเดินได้ยังเดินได้ฮะเดินลุกนั่งลำบากอ่ะ บ้ขยับตัวไม่ค่อยได้อืมแต่เดินได้ ไ, ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้ากับของอาจารย์ก็เดินตามพยายามเดินตา ม, อ, มอยู่ยังเดินได้แต่ว่าลุกแล้วก็ลองอดโอยอย่างเนี้ยคะ่ะเวลาขยับเคลื่อนเอริอาเป็นเอริอาบบเมัอนจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้อืม ก็เจ็บกายฮะยังยิ้มร่าเริงอยู่เหมือนเดิมใจยังแฮปปี่ใจยังแฮปปี้มอกจริงๆมาคุยกันว่าเราแบบมี g o o ไลฟ์เนะเพราะว่าเรามีมีใจสบายนะคะมี yeah. ่สบายอยู่ตลอดเวลาเรมีพระพุทธเจ้า่อยสอนเราไม่ให้ทุกข์กับอะไรรับทุกสถานการณ์ได้ฟังน้องๆลูกนวลลานๆคุยกันเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นมาก็แบบอืม เราผ่านตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะมากก็มองเห็นแล้วว่าไอ้กรรมต่างๆที่แต่ละคนก็มีของตัวเองไปเกิดมาแล้วก็ต้องต้องอยู่ให้ได้ดีใจให้สบายเจ็าเจ็บตายด้วยกันทุกคนได้ค่ะโอเคค่ะหายเลยายเร็วๆนะอาจารย์ด้วยค่ะท่านถังแมงค่ะสาธุคุณสเลนทอนทำงานไปฟังไปเลย งานเจ้าค่ะทํา ง, งานไปด้วยค่ะจะได้จะได้เสียเวลาค่ะจะได้ทํางานให้มันเสร็จด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวค่ะพระอาจารย์หนูก็ไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วอะค่ะ เ, เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพระอาจารย์ไปครั้งนี้หนูก็คิดว่ามันมีสติมากขึ้นอะคะ่ะจิตก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจได้ดีขึ้นมากเหมือนเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหนูฝึกหนูฝึกกลับมาดูที่ลม แล้วก็ใช้พุทธโธในอิรยาบอยังอื่นนะคะแต่เวลานั่งสมาธิก็ดูที่ลมอย่างเดียวแล้วมันก็เห็นเหมือนตัวลมเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นฐานของลมเดี๋ยวนะคะขอโทษ่ะพระอาจารย์แมวฐานของลมมันก็ฐานของลมมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะ่ะมันมันมันไม่ไปไหนอะคะ่ะก็นั่งดูไปได้นั่งดูไปได้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอวันที่สองเขาก็จะเริ่มให้เราเริ่มวิปัสสนาค่ะพระอาจารย์ อ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หนูรู้สึกว่าหนูสามารถเหมือนกับว่าดึงดึงใจให้ออกสู่วิปั ส, สนาได้อย่างต่อนเนื่องคือหมายถึงว่าเขาขอโทษค่ะพะจ้าหมายถึงว่าหนูก็พิจารณาทุกอย่างไปในทางไตรลักษณ์หมดเลยอ่ะคะ่ะเ อ, อดูดูทุกอย่างว่าเ อ, อตอนแรกเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูจิตของเราว่าสภาวะจิตของเราเป็นยังไงว่าเราชอบเราไม่ชอบหรือว่าเรามีความรู้สึกยังไงถ้าเราดูแล้วว่าเราชอบ เราก็ปรับมันให้กลับมาเป็นเฉยๆให้ได้อะคะ่ะแล้วก็พิจารณาทุกอย่างลงไตหลักทุกเรื่องทุกเรื่องปฏิบัติอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะพระอาจารย์แล้วพอเหมือนเหมือนพอเวลาดึงไปทางไตหลักเนี่ยจิตมันก็จะมุ่งอยู่กับทางไตหลักมันก็จะไม่ยอมกลับเข้ามาในสมาธิเหมือนเหมืนอนมันติดอะคะ่ะพอนั่งสมาธิมันก็ไม่ยอมวิ่งเข้าออกไปพิจารณาทางปัญญา พอออกไปทางปัญญามันก็ไม่ยอมเข้ามากลับมาทางสมาธิมันเาก็ต้องเปลี่ยนแล้วเราบังคับมันให้มันหยุดเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์มันเหมือนมันต้องดึงดึงกันตลอดเวลาเลยครับไม่ไหวแล้วต้องกันเวลาในสมาธิมันก็ขี้เกียจคิดพอมันคิดแล้วมันก็ไม่อยากจะหยุดคิดใช่ค่ะทคือเจตของคนเรานี่มันทำไมเหมือนถึงก่อนยไม้แกล้งไม้ แล้วมันก็เกาะเหนียวแน่นมากหนูทั้งๆที่หนูปกติหนูเอาจริงๆหนูก็ไม่ค่อยได้เจริญปัญญาเท่าไหร่นะคะพระอาจารย์แต่เหมือนคราวเนี้ยมันเจริญทั้งวันแล้วจิตมันพุ่งออกทางด้านปัญญาอย่างเดียวแหละค่ะมันพิจารณาทุกเรื่องตลอดเวลาไปในรูปกันเพราะว่าสมาธมันคิดไปมากๆแล้วมันฟุ้งก็ต้องหยุดมันค่ะแล้วพอจิตเหมือนแับว่าค่ะพอมันจะจมพอมันจะจมอยู่ในสมาธิหนูก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ให้มันจมลึกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีอยุดที่ลมอยู่ที่ล ม, อลมพอมันหายไปเราก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาเราก็ไม่อยู่ที่ลมตลอดเวลาเ อ, อหนูก็ทําตามที่เขาสอนนะคะวันแรกหนูก็นั่งดูแต่ลมวันที่สองมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างระหว่างดูลมกับเจริญวิปัสนาอย่างเงี้ยค่ะก็ทําก็ทําได้ค่ะพระอาจารย์กลับมาก็รู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเต็มที่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ดีค่ะดีหนูไปแล้วหนูรู้สึกว่าอหนูเริ่มมีกําลังใจว่าเออหนูน่าจะน่าจะทําสมาธิได้มากขึ้นแล้วแบบหลายชั่วโมงมากขึ้นนะคะ mm hmm. ค่ะมัน ก, ก็คือดีอะค่ะพอาจารย์แต่ที่น่าสนใจก็คือคนหลังจากจบคอร์สวิปัสสนาเนี่ยหนูก็ไปพบกับรูเมดก็คือได้คุยกับรูเมดของหนัวค่ะก็คือเขาเป็นนักวิจัยค่ะของมหาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ของเวอร์จิเียนะคะ แต่ว่าเขาเป็นนักวิจัยเรื่องการกับชาติมาเกิด mm hmm. เขามันมีมหาลาัยอยู่แค่สองมหาลัยในอเมริกาซึ่งมีการศึกษาแล้วทำเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิในลักษณะของการกับชาติมาเกิดอย่างจริงจังมีแค่สองมหาลัยในประเทศแล้วเขาก็เล่าให้หนูฟังว่าเขาเหมือนกับตอนแรกเขาเรียนปริญญาตรีเป็นเอนจิเนียรแล้วก็ปริญญาโทเขาเรียนเป็นนิวโรคโลค่ะ แต่ในระหว่างที่เขาเรียนปริญญาโทเขาก็เหมือนกับไปเจอเคสสตัทดี้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นคนที่ใช้การรักษาจากจิตวิทยานะคะแล้วก็ใช้การรักษาจากการใช้ชาติที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์น่าจะน่าจะเหมือนกับให้เ้านอนแล้วก็ดูกับไปว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรแล้วแก้ไขเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันประหลาดมันแปลกมันเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลย ย้ายมาทำงานจากตอนนั้นเขาอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วเขาก็เลยย้ายมาที่เวอร์จิเนียมาทำงานกับสถาบันของดรเอียนสตีเวนสันนะคะซึ่งเขาค่อนข้างจะเขาเขาดังพอสมควรนะคะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นอ่าหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาของ University of v i r g i n เ a ียแล้วก็ทำการศึกษาแบบสองพันห้าร้อกว่าเคสทั่วโลกเลยเกี่ยวกับคนที่กลับชาติมาเกิดแล้วก็การมีการมีเบิร์ดมาร์กอะคะ่ะอาจารย์ แล้วเขาก็มาเมืองไทยด้วยแบบศึกษาคนเป็นพันๆคนแล้วก็กลับไปเขียนหนังสือคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาสนใจเรื่องเนี้ยเขาก็เลยมาศึกษาท้งทงที่จริงๆแล้วเขาเป็นคุณมุสลิมนะคะเขาก็บอกว่าคือเท่าที่หนูฟังเขาเขาไม่เข้าใจเลยว่าพื้นฐานของพุทธศาสนาคืออะไรแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักวิจัยเขาต้องการเขาต้องการติดต่อกับ อีกพบภูมิหนึ่งให้ได้อะคะ่ะมันก็เป็นความคิดที่แปลกค่ะครบจะพยายามติดต่อให้ได้โดยที่ใช้สื่อโดยการนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ตัวเองไปติดต่อกับพบภูมิหนึ่งว่าเพื่อที่จะศึกษาว่าพบภูมินั้นเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วเขาจะเอาความรู้จากตรงเนี้ยมันรักษาคนอื่นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้แต่มก็คือมันน่าสนใจที่ไปเจอคนแบบเนี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าเขาจะนั่งสมาธิจนกว่าเขาจะคืบ วัตถุประสงค์ของเขาไม่ได้เพื่อที่จะลดละเลิกกิเลสแต่เพื่อที่จะไปติดต่อกับภพภูมิอื่นแล้วเอาความรู้เนี้ยมารักษาคนในปัจจุบันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจิตวิทยาเนี่ยค่ะพี่อาจารย์ก็ก็น่าสนใจคาจารยอแล้วแต่ขีดเกตคานั้นไม่ไม่มีไม่มีทางวิจารณ์เหนูก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะดอะไรหนึ่งดูวัตถุประสงค์ของเขาคือ รักษาค่ะก็ถุประสงค์เขาคือการรักษาใช่ใช่เก็ฟังแล้วก็แต่เขาไม่รู้ว่าวิธีที่จะรักษาดีเสียก็เกิดยกรรมมาเกิดนใช่ใช่ค่ะว่าอาจารย์เหมือนเขายังใหม่อยู่กับพุทธศาสนาค่ะยังคิดไม่ลึกยังคิดไม่ลึกเหมือนพระพุทธเจ้าค่ะค่ะเราก็ย้อนกลับไปอดีตชาติเรารักษายังไงใช่ค่ะเมันก็เหมือนกันน่ะรักษาไม่ได้แล้วทำไมก็ยาเจ็บตายไปทุกทุกครั้งที่มาเกิดนะ ใช่ค่ะเขาเขาจะไม่ได้มองถึงว่าความแก่เจ็บกายเขาจะรู้แต่แต่ว่าเขาเจ็บปวดตรงไหนแค่นั้นเองนะคะแล้วเอาตรงเนี้ยเอาความรู้เนี้ยมาแก้ไขยังไงอืาอืมแต่ก็นั่นแหละค่ะก็น่าสนใจน่าสนใจแต่แต่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรามันไม่ใช่ทางไองมึงง่ายค่ะค่ะแต่มันก็มีศาสตร์นี้นะคะคือคือเขายังไปวาง มันไปวางอยู่ที่ร่างกายเป็นหลักเขามไม่ได้ไปวาง ท, ที่ตัวจิตเป็นหลักอายุยังพยายามจะมาแก้ปัญหาของร่างกายอยู่เรื่อยใช่ไหดยใช้จิตไปศึกษาอดีตมาเพื่อที่จมาม า, ม า, ม, า, ม, ามาแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้<า>คือความรู้ที่เขามีที่เขาพูดที่หนูฟังเนี่มันเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะไปสนใจรับรู้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อย่าไปไสนใจดีสุด ค่ะพระอาจารย์หนูก็มีเรื่องกระทบจิตใจอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะพระอาจารย์พอดีว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวหนูไปอ่านหนังสืออะค่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกหนูบอกว่าเนี่ยเขาเจอเหมือนแมวจรเงี้ยค่ะลูกแมวเล็กๆอยู่แถวๆร้านอาหารแล้วก็จะให้หนูไปพยายามช่วยจับลูกแมวกลับบ้านเพราะว่าคือมันแต่หนูเข้าใจมันหนาวมากอะค่ะพระอาจารย์คือมันหนาวมากกลางคืนมันก็คือติดลบอะค่ะแล้วมันก็ มันอยู่ตัวเดียวมันไม่มีแม่แมวก็ Mueller, มไม่น่าจะรอดอ่าจริงๆก็คือไม่น่าไม่น่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วอะค่ะห <N purpose S 1> นูก็ไปพยายามช่วยจับอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงยืนอยู่เขาไม่ยอมอะค่ะเอาอาหา ร, ร, รให้เขากิน<ๆ>คือใกล้ที่สุดแล้วก็คือเขาเมื่อกินอาหารจากมืออะค่ะแต่พอจะจับก็วิ่งหนีวิ่งหนีทําอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงจนหนูไม่ไหวแล้วอะค่ะ <spoon. S 2> กลับบ้านประมาณตีหนึ่งเน<ๆ>ี่ยค่ะแล้วหนูนก็เลยกับลูกก็เลยบอกว่าก็ต้องวางใจแล้วแหละว่าเขา เราพยายามเต็มที่แล้วเดินตามทุกที่เลยเอาอาหารแบบเอาผ้าเอาอะไรก็คือกลับมาหนูมันก็สะเทือนใจอะนะคะพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าหนูน่าจะช่วยเขาได้เพราะเขาอยู่ใกล้มือมากๆแล้วก็ลูกก็เหมือนกันช่วยกันกถูกวิถีทีทางแล้วแล้วก็ถามคนแถวนั้นเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นแมวตัวนี้มาก่อนก็คิดว่าน่าจะหลงมาเนี่ยคะ่ะเขายังเล็กอยู่เลยน่าจะอ ย, ยังเล็กมากๆอะค่ะพระอาจารย์ก็สงสารลกลับมาหนูก็มานั่งท่องพิจารณ า, าการสามสองว ของเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันของเขาก็เป็นนี้เหมือนกันก็เต็มที่เราช่วยได้แค่นี้แล้วแหะค่ะแต่มันก็แอบแอบรู้สึกเสียใจว่าเราช่วยเขาน่าจะช่วยเขาได้อะค่ะอืมค่ะก็ทําใจค่ะพ่ะอาจารย์เตรียมใจอืมทําได้เท่านี้จริงๆค่ะพระอาจารย์อืค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แร้วค่ะพรอาจารย์มากับนะคะกับขอบคุณพรอาจารย์สาธุ ตันนี้พี่เคก็มาสายมากนะพี่เค ย, เยังเต่านิ้ว่ะหายไปไหนมาเลย <c oughs> กบากบนรยากาศนะะอาจารย์ป่อนพุ่ยจะได้เครื่องบินดีๆแต่ว่าเชฟฟักเราไม่อ้างไม่อ้างมาเอ ง, ง, งกลับในมาสการค่ะพระอาจารย์พาาอดีวันนี้กลับดึกค่ะพรุ่งนี้ต้องบินไปญี่ปุ่นค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยแล้วก็มาปันน้นแป้นนุ่มดี ขึ้นมาเด็กแ้ใช่พอพอเลดีๆเดพิด่ออยู่เดียนี่ใช่พ่อพ่อม่จะลเดมาเลยครับมาเี๋ยว้เขกับไนออนกับาสกคอมพอจอนยังไม่นอนเลยครับเมื่อกี้กำลังจะนอนขอพอจอนอ่าไปเรียบกลับไปนอนไปแตส่วนมันส่งกันบ้านก่อนอ่ะอลา้ังก่อน อจำไม่ได้ค่ะจำไม่ไายนุวงละโอเคเอาบอกพระอาจารย์พรุ่งนี้น้องคุณปีนให้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปี่ปุ่นลยวนะคะกลับแล้วนอนกับพระอาจารย์โอเคไปดีมากพระอาจารย์บอกไปดีมาดีนะคะโอเคครับกลับแ้วสักการขอบพระอาจารย์โอเคกําลังตื่นเต้นค่ะพระอาจารย์นอนไม่หลับพรุ่งนี้จะได้ไปไปดานไหมไปอยู่ไหนไหม หนูไปประชุมอ่าอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลยพาเขาอยู่เที่ยวต่ออีกอาทิตย์หนึ่งอ ะ, ค, ะค่ะพระเจ้าค่ะยังเล่นปิดแทมพอดีนะยังไม่ปิดเลยครับปิดวันที่สิบเก้าต้องโดดเรียนสองอาทิตย์เลยค่ะนั่นไม่เป็นไรครับกูก็ไม่ว่าอะไรทีแรกทีแรกลาไว้อาทิตย์เดียวแต่พอดีสเก็ตหนูมันมันเลื่อนไปที่จะต้องข้ามไปอีกอาทิตย์หนึ่ง เพิ่งเพ่งส่งเมลไปถามคุณครูเมื่อเมื่อเย็นเนี้ยค่ะยังไม่ตอบเลยค่ะ <laughs> ยังไม่แน่ใจว่าจะให้อยู่สองอาทิตย์ได้หรือเปล่าไม่งั้นก็จะต้องกลับก่อนค่ะอืมค่ะควันนี้มากับพระอาจารย์ค่ะจ้าโอเคค่ะแถวคาดปลอดภัยนะเดินทางด้วยสวัสดิภาพค่ะ <c> ท <oughs> ุค่ะพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะจ้าค่ะคุณประนอม กลับมาแล้วเลยกลับจากเชียงใหม่กลับมาแล้วสักการเจ้าคะหลวงพ่อกลับมาจากแม่ห้องสอนแล้วแม่ห้องสอนนะคะแต่ว่าเพื่อนกลับมาอยู่เชียงใหม่สาวันแล้วก็กลับไปช่วยงานที่วัดต่อเจ้าค่ะพอดีที่วัดขาดอ่าร่ำแปลภาษาน้องเขาก็เลยกลับไปช่วยงานต่อจ้าหลวงพ่อดีเป็นจิตอาสานะคะน้องเขก็ชอบทางนี้ด้วยเดี๋ยวจะโชคดีสักกัน ไม่มีอะไรเจ้าค่ะเข้ามากับหงเจ้าค่ะยาปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะไ่ะดจะหมดเดี๋ยวเรื่อคุณปุวยคนสุดท้ายเนาคุณปุ้ยสองนาทีธรรมวัฒสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อมันอัดเทไปเลยอ่ไม่ได้อัดเพระอาจารย์โยมตัวเป็นๆไม่ใช่ไอ้อะ โยมเข้ามากราบพระอาจารย์เพราะว่าโยมจะมาลายงานตัวเพราะโยมไม่ไม่ได้ทำบาปอะไรก็เหมือนเดิมค่ะถือศีลเจ็ดกลางวันแล้วก็ถือศีลแปดตอนเย็นแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโยมหย่อนนั่งสมาธิโดนกิเลสมันเล่นงานอะพระอาจารย์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ตอนเช้าเช้าโยมเคยตื่นตีสามแล้วตีสองแล้วมันตื่นไม่ไหวอะ่ะพระอาจารย์อืมมันอาจจะเป็นตัวขี้เกียจและตัวกิเลสด้วยพระอาจารย์โยมก็กมัน<ะ>มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วไม่มีอะไรที้งแท้แน่นอน <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะอาทิตย์ก่อน<ม>นู้นโยมขยันมากเลยแลนะโยมอาทิตย์นี้โยมรู้สึกตัวขี้เกียจมันเล่นงานโยมโยมก็เลยบอกว่าน ยมรับแลยขอเข้ามาจริงๆอาจารย์แต่ว่าผิดศีลโยมไม่ผิดค่ะยอมไม่ผิดศีลเอโยมก็ไม่ไม่เดินทางไหนแล้วเดินทางนี้แหละตามพระอาจารย์นี่ยแหละค่ะโยอมก็ดีใจแบบจะได้ทําบุญกับพระอาจารย์ยอมมีอะไรค่ะพระอาจารย์โอเคขอให้สุดพระอาจารย์ขอให้สุดพระอาจา ร, จารจาย์ไม่ถูกถกบดีแล้วเล่นนาที นังเแล้วนจะรวยนะที่จนอยู่ทุกวันทีรเพาะไปเล่นหวยเนี่ยแม่คงไม่เล่นแล้วล่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนคนเสอร์นะหวยมันอยู่ที่รถโยมแต่ว่าโยมไม่ซื้อโยมก็เลยเออจริงๆอย่างพระอาจารย์พูดนะเออเราต้องเลิกเล่นแล้วแหละ เ, เสียเงินแบบสนุกสนานไปวั น, วนๆมันม เอาเงินไปทำบุญดีกว่าเอาเงินไปทำบุญดีกว่าค่ะจริงจริงที่สุดค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าสาธุขอให้คุณปุ้ยศกย์ได้แสดงโยมมารับพลังนะอ่ะเอาเลยสา ธ, สาธุเจ้าค่ะอ่าไปที่คุณล้าต่อคุณลานมีคำถามไหมค่ะกลับน้มาสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าค่ะ กรับนมัสการพระอาจารย์ครับการพิจารณาร่างกายควรเลือกพิจารณาส่วนไหนถึงจะชัดเจนและควรจะเลือกพิจารณาส่วนเดียวใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราเป้าหมายของเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราต้องการที่จะละกามาราคะเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาส่วนที่มันไม่สวยงามอย่าไปพิจารณาส่วนที่สวยงาม การอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไปเห็นสิ่งที่สวยๆวยงามๆแต่ถ้าเราไปเห็นในสิ่งที่น่าเกียรตดน่ากลัวน่ า, นาขยะขยะงมันก็จะทําให้การอารมณ์ดับไปได้คํถาถามต่อไปถ้าความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ร่างกายคนต้องพิจารณาอย่างไรครับก็ปล่อยวางเราไปควบคุมบงังครั้มันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ได้มันไปมันก็ไม่ไป ก็เลยต้องทำใจอยู่กับมันไปให้ได้เฉยๆทำใจเฉยๆไปพุโทโธพุโทโธไปคำถามต่อไปจากคุณอ้อพระอาจารย์พรุ่งนี้ลูกจะไปทุดงลูกกลับขอพอรพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขอให้มีสติไปตลอด น, นะไปทั้งไปทั้งกลับให้มีสติแล้วก็จะได้ผลดี คำถามต่อไปช่วงนี้นั่งสมาธิได้นานขึ้นมากจนคิดว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็วมากขออนุ ญ, ญาตสอบถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิสงบไม่มีความคิดแล้วควรทำอย่างไรต่อคะก็ให้มันสงบไป น, นานๆคำถามต่อไปกาบเรียนถามคะ่ะการตั้งเป้าหมายบรรลุธรรมต้องเป็นโสดเท่านั้นหรือไม่เจ้าคะ ไม่หรอกใครๆก็ตั้งได้เป็นโสก็ตั้งได้เป็นมีครอบครัวก็ตั้งได้คําถามต่อไปจากคุณธนพงศ์ขั้นตอนการภาวนาที่ถูกต้องภาวนาอย่างไรครับเราภาวนาด้วยสติไงก่อนจะภาวนาวต้องมีสติคํากลับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบเช่นอยู่คําบราลรคำพุทโธพุทโธไป คำถามสุดท้ายพระอรหันต์พระอรหันต์สามารถหัวเราะเสียงดังตามธาตุขันได้ไหมครับเพราะบางคนบอกไม่สํารวมครับอันนี้ต้องรอให้เป็นหนะ้าพระร้านก่อนเดี๋ยวจะได้คําตอบที่แน่นอนกว่าคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคนะก็หมดเวลาปรีสลับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าว ห, หน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด